บทที่18แสงตะวันยามสายจากที่สองผ่านกิ่งไม้อันปกคลุมอยู่ไม่สู้จะทึบนะบริเวนนั้นลงมาทำให้ภาพอันเคยเป็นเงามืดคลึมเต็มไปด้วยปริศนาของเมื่อราตรีที่แล้วกระจ่างชัดกับสายตาโดยเฉพาะเมื่อบริเวณส่วนบนอันเปรียบเสมือนหลังคาของตำแหน่งนั้นได้พังถล่มเปิดโล่งออกไปบางส่วนคานวณจากบริเวณที่เขายืนงานอยู่ยังชานหินนาทีดี โดยลึกเข้าไปยังบริเวณภายในของคูหาอันอาศัยเป็นที่หลบพักเมื่อคืนมันจริงดังที่คริสให้การรายงานมาทางวิทยุทุกอย่างก้อนหินใหญ่สองก้อนถลม่มหล่นลงมากองสูงอยู่กับพื้นตรงจุดที่เคยเป็นที่พักนอนของเขากระเบลอย่างพอดิบพอดีกลายเป็นกองหินสูงผนินเหมือนมีมือยักษ์ผลักลงมากลบลักษณะอันเคยแลเห็นอยู่เมื่อคืนว่ามันน่าจะเป็นคลายแท่นบูชา รอยถูกกลบบางไปหมดสิ้นเหลือแต่ซอกโครงด้านซีกซ้ายและขวาซึ่งเดิมเป็นมุมผนังอันลี้ลับถูกแสงสว่างแห่งพิวาก า, สาศสาดส่องเข้าไปและเห็นผนังหินทั้งสองด้านตลอดจนบริเวณที่หินถล่มยังไม่ได้กระจายไปกลบถึงกระจ่างชัดพอสมควรขเขาชำเรืองตรวจสอบเพียงผาดผ่าดอย่างเร่งด่วนในขณะนี้เห็นแต่เพียงเป็นพื้นผนังตัดเรียบ เหมือนฝาผนังห้องที่เป็นฝีมืออันเจตนาของมนุษย์มาสกัดหินซึ่งเคยเป็นก้อนตันทึบและส่วนพื้นกับส่วนบนอันยังไม่ได้หักพังลงมาทั้งหมดก็มีรอยหินงอกและหินย้อยที่ปรากฏโผล่ขึ้นมาภายหลังเมื่อการเวลาได้ล่วงผ่านมนนานาจนไม่อาจาคำนวณหาอายุได้กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าชั้นกับเบลควรจะแหลกเลวถูกกรบอยู่ภายใต้เพดานหินที่หักถล่มลงมานี่ มันจะได้ตัดปัญหาของคุณไปเสียทีในกรณีที่มีผู้หญิงสองคนติดมากับคณะทำให้เป็นที่ลำบากยุ่งยากใจมีเสียงกระซิบต่ำๆดังอยู่ใกล้ตัวพอชำเลือไปทางด้านซ้ายก็เห็นคริสติน่ามายืนเยื้ออยู่บ้างเบื้องหลังของเขาเล็กน้อยรอนตามเขาขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ทันรู้ตัวและอีกด้านหนึ่งก็มีบุญคามาหยุดยืนอ้าปากหาเอามือเกาหัวแกกแก ระพินยิ้มแค่นๆไม่สนใจกับประโยค ก, กึ่งสัพยอกกึ่งประชด น, น้อยของแม่ผมทองแต่บอกว่าก็แค่เพดานด้านบนมันหักล่วงลงมาเท่านั้นทำไมคุณถึงจะเอาตัวรอดหลีกหลบออกมาไม่ได้ขนาดภูเขาถล่มทั้งลูกน้ำหนักหินนับเป็นแสนแสนตันเคยพังลงมากลบคุณก็ยังเอาตัวรอดได้เลยนี่จริงไหม สภาพของมันคงเรื่องมาจากเพดานหินด้านบนมันปริร้าวใกล้จะพังอยู่ก่อนแล้วคงไม่มีเวลาพอที่จะตรวจสอบได้ในขณะที่ฮิวเบลสอมสานหนีมาหลบภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาสาเหตุที่มันหักลงมาก็แน่ชัดว่ามาจากความสั่นสะเทือนของแรงระเบิดเมื่อครู่นี้แหละแล้วเขาก็หันมาตบไหล่สมุนเท่ามือขวานหนักหน่วงอย่างรู้เห็นฝีมือและไหวพริบปฏิภาปกันดีอยู่แล้วในภาวะวิกฤต จ, จริงๆแล้ว บุญคำไม่เคยทำให้เขาต้องผิดหวังเลยแม้ว่าในภาวะปกติแกจะมีอะไรที่แกล้งทำโง่โง่เสเซิร์ไปตามเรื่องตามราวแต่เท่าก็ไม่พูดอะไรเช่นกันหน้าตาแกเป็นปกติเหมือนเห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดค่าที่ผ่านผานจญกับสารพัดเหตุร้ายมาเสจนชาชินเป็นธรรมชาติวิสัยของแกไปซะแล้วระหว่างที่ยังยืนพิจารณากันอยู่นั้น ฝ่านายจ้างที่มาสมทบภายหลังเว้นจากเบลคนเดียวที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมต่างไต่บันไดหินเก่าแก่ของฐานสิงด้านหน้าตรงขึ้นมาสมทบและตรวจดูสถานที่ยังแปลกใจระคนตื่นตะลึงและอุทานกันแซ่ดไปหมดภาพมันฟ้องชัดเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันมากเกี่ยวกับโครงหินใต้ซ อ, อกอกสิงโตอันแก่สลักจากภูเขาย่อมย่อมทั้งลูกซึ่งมองเห็นชัดอยู่ว่า บัดนี้ส่วนอันเป็นด้านบนของมันได้หักถล่มลงมากรบพื้นที่บางส่วนภายในคูหาสแตนลีย์คีดและเชิร์ดวูดรู้ดีอยู่ก่อนแล้วมันเคยเป็นที่พักของราพินกับเบลเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งเมื่อบุญคำกับคริสเต้มาถึงที่หลังเมื่อใกล้รุ่งก็เข้ามาชุมนุมรวมกันอยู่ในนี้ด้วยโอ้โหเสียงสแตนลีย์อุทานออกมาขณะที่มองเห็นบริเวณได้ถนัดตาและนึกวาดภาพออก ส่วนคีดส่งมือไปให้บุญคำอดีคู่อริเ ก, ก่าจับเขย่าแรงๆมันต้องอย่างนี้สิบุญคำถึงจะเรียกว่าเป็นพรานคู่ใจของรพินไพรวันอย่างแท้จริงฉลาดมากทันการทุกอย่างโดยเจ้านายไม่ต้องสั่งพันเอกแห่งอ s Army ามีพยายามพูดไทยอย่างกระท่อนกระแท่นได้ความออกมาในความหมายเช่นนั้นพรานเท่ายิงฟันยิ้มให้โอเคซิกาเร็ตสบายมาก ยอหอ์หในห้างคิดเยสเ l อโอไรบันไซอาริกาโตโอไฮโอกูไซมัสในคิดหัวรอกก้รู้เส้นกันดีเสแล้วว่าแกพูดอะไรของแกไปตามเรื่องไม่มีความหมายอะไรนอกจากความขนองทะลึง่งและแกล้งเย้าเล่นโดยตกไปที่ก้านคอของแกโดยแรงบุญคำวัยปาลิงหดคอหลบต่ำลง ฝ่ า, ฝ า, ฝามือโตโตของคีดแทนที่จะถูกแกก็เลยไปถูกเอาไหล่ของเชิดวุฒซึ่งยืนกับพริบตาปริบๆอยู่ข้างๆพันตรีหนุ่มแห่งทั บ, บกไทยแทบเซถล่มไปเบื้องหน้าร้องว้าบออกมาหันขวาจะยกเท้าถีบแต่คีตรีบขอโทษระล่ำระล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละไม่มีใครสนใจกับภาวะการล้อเล่นเย้าแย่ ก, กันเล็กๆน้อยนั้ น, น, นมองเห็นกันชัดกลางแสงตะวันแบบนี้แล้วคุณว่ามันเป็นอะไร หัวหน้าคณะเอ่ยถามขึ้นพรานใหญ่กว่าสายตาห่างไกลออกไปรอบๆอบย่างบริเวณป่าที่ปกคลุมอยู่รอบด้านผมเดาไม่ถูกคนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดควรจะเป็นพวกนักธรณีวิทยาและนักโบราณศาสตร์มีอะไรที่เราจะต้องพิจารณาใครค่ครวนอีกมากทีเดียวสำหรับก้อนหินมหฮึมาที่ถูกแกะสลักเป็นภาพสิงห์หมอบนี่ผมไม่คิดว่าที่เราพบอยู่นี้จะเป็นสภาพเดิมแต่เก่าก่อนของมัน แต่ส่วนใหญ่อาจจมดินอยู่อันเกิดจากภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวบันไดหินที่ทอดขึ้นมายัางใต้อกสิงหมอบนี่ก็เช่นกันมันคงไม่เพียงสิบกว่าขั้นร้องแต่อาจไต่สูงจากระดับพื้นราบเดิมนับร้อยขั้นเพียงแต่ว่ามันถูกฝังจมอยู่ใต้ดินและอาจมีชั้นของลาวากั้นไว้อีกทีหนึ่งก็ได้พื้นดินป่ารอบด้านและส่วนประกอบอื่นๆที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ มันเกิดขึ้นภายหลังจากวันเวลาที่มันได้พินาศลงนับเป็นหมื่นๆหรือแสนๆปีขึ้นไปหรืออาจนานกว่านั้นซึ่งเกินกว่าสติปัญญาของผมจะรู้ได้เราให้เบลเธอแข็งแรงกว่านี้อีกนิดบางทีเธออาจให้ข้อสันนิษฐานที่ใกล้เคียงความจริงได้มากกว่าและพินบอกครึ้มๆซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในดวงตารีีซึมทั้งคู่ขณะที่เพ่งไปยังหินใหญ่รูปสิงหมอก ลักษณะของสิงโตมีปีกอันจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อมองไปยังอีกตัวหนึ่งห่างประมาณ30เมตรสภาพของมันเอียงตะแคงคู่กันอยู่กับตัวที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่นี้และในจิตประสาทส่วนลึกเขาดูเหมือนจะแว่วเสียงโหร้องเสียงอาวุธกระทบบางทีก็เป็นเสียงสวดบวงสรวงคลางกระหึ่มในพิธีกรรมบางอย่างของความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ไพศาล ของอาณาจักรโบราณการก่อนยุคที่ประวัติศาสตร์จะสามารถจ่าลึกเอาไว้ได้ผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าขณะนี้เราได้เข้ามายืนอยู่บนส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่กว่าความเ ค, เคยรุ่งเรืองมาแล้วของจีนอินเดียอียิปต์หรือยูเดียดอเตอร์สแตลลี่พึมพ์คออกมาอย่างตื่นใจระคนสยองในส่วนลึกอย่างไรบอกไม่ถูก และเพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผมยอมเห็นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนในแนวความคิดของคุณว่าในพิภพโลกของเราที่เรียกกันว่า Planet Earth อันเราได้มีชีวิตเกิดขึ้นมาปัจจุบันนี้มันได้มีวิวัฒนาการมาหลายรอบหลายยุค ข, ของมันชนิดนับไม่ถ้วนมันเป็น the unknown world หรือโลกที่มนุษยชาติยังไม่สามารถจะค้นคว้าไปได้ถึงระพินยิ้มออกมานิดหนึ่งจากสีน่านเย็นกระด้างของเขา ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือด็อกเตอร์ความเจริญขีดสุดในทุกๆด้านแม้กระทั่งทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเข้าใจว่าในยุคนี้ของเราได้ก้าวเข้ามาสู่ขีดสุดแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าในดีตการย้อนหลังลึกลงไปมนุษยชาติจะไม่เคยมีความเจริญมาก่อนแล้วซึ่งต่อมาก็เสื่อมโทรมลงแล้วก็เริ่มต้นขึ้นใหม่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เช่นนั้นไม่รู้จบสิน้นเราสมมุติกันง่ายๆ หากระเบิด1ิบเมกะตันของคุณที่เรากำลังค้นหาอยู่ในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายคุณและฝ่ายโซเวียตมันเกิดระเบิดพร้อมๆกันทั้งหมดที่ต่างฝ่ายต่างสะสมไว้จะโดยสงครามจากเจตนาหรือโดยอุปัตตวเหตุใดๆก็ตามคุณคิดว่าโลกเราจะมีสภาพเป็นอย่างไรเอาละผมขอถามบ้างอเมริกันอาวุโสยักไหล่ยิ้มเล่นลนตอบไม่เต็มปากนะ ก็ทุกชีวิตและทุกพืชพรรณที่เราเห็นอยู่มันจะสูญพันธุ์ไปชั่วยระยะเวลาหนึ่งดินส่วนหนึ่งจะลอยขึ้นไปปกคลุมอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของดาวประเคราะห์ดวงนี้อาจใช้เวลาอีกนับมือนหรือแสนปีกว่าที่ผิวโลกที่ลอยขึ้นไปปกคลุมอยู่เหนือชั้นบรรยากาศจะค่อยๆกลับคืนลงมาสู่โลกอีกครั้งเกิดภูเขามหาสมุทรทวีปขึ้นมาใหม่ชีวิตจะเริ่มต้นจากสัตว์เซลล์เลียงอีกวาระหนึ่ง ไม่ว่าพืชหรือสัตว์แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโอ้อย่าพูดในสิ่งที่น่าหวาเสียวอย่างนั้นเลยระพินผมเองก็มีความคิดคัดค้านต่อน้าในเรื่องสงครามล้างโลกที่คุณหมายถึงอยู่เหมือนกันแต่เท่าแล้วเท่ารอดการเจรจารในด้านลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นผลสักทีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์การของพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงกาหนดไม่มีใครไปขัดขวางได้หรอก มันไม่ใช่ความผิดของประเทศผมหรือว่าประเทศฝ่ายตรงข้ามใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นกฎดของการแตกดับเพื่อเกิดใหม่ของพิภพโลกตามรอบวาระของมันถ้าหากพวกคุณได้เข้าใจในสัจธรรมหรือความจริงในข้อนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากจะช่วยให้เราทั้งสองฝ่ายหมายถึงผมกับพวกคุณที่เดินทางมาในครั้งนี้มีมความเข้าใจซึ่งกันและการลึกซึ้งกว่าเดิม อัจจะช่วยให้เราสามารถร่วมมือกันแก้ไขต่อสรรพาปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องสอดคล้องเดี๋ยวไม่มีความคิดที่ขัดแย้งแตกแยกอันจะเป็นภายมาสู่หมู่คณะของเราเองซึ่งบัตรนี้ก็ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกแล้วขอให้ทราบกันไว้อีกครั้งว่าในฐานะมัครุเทสนำทางหน้าที่ของผมไม่เพียงแต่จะนาพวกคุณไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกคุณประสงค์เท่านั้น แต่จะต้องนําพวกคุณกลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยปลอดภัยด้วยเราเข้าใจกันได้แน่นอนระพินและนับวันน า, นานไปที่เราร่วมชีวิตด้วยกันณนะโลกตกสมรวจนี้เราก็จะยิ่งเข้าใจซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นทุกขณะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะช่วยกันใช้ความรู้สติปัญญาและฝีมือของพวกเราทั้งหมดที่ต่างฝ่ายต่างมีอยู่เข้ามารวมพลังกันอย่างเต็มกาลังความสามารถ หัวหน้าค้นหาระเบิดนิวเคลียร์กล่าวเสียงลึกหนักแน่นที่สุดขณะยื่นมือส่งมาให้เขาต่างฝ่ายต่างบีบประชับแน่นมันดูเหมือนจะเป็นการจับมือกันอย่างจริงใจครั้งแรกนับตั้งแต่ออกร่วมเดินทางกันมาและไปทางคริสติน่าและคีตก็เห็นทั้งสองจ้องนิ่งมาที่เขาก่อนแล้วเรพินมองลึกลงไปในแววตาของคนทั้งคู่แล้วก็บอกได้นบบัตรนั้นว่า ปราศจากเล่ดในแอบแฝงใดๆอย่างที่เคยเห็นหลงเหลืออยู่เลยทั้งสองมีสีหน้าที่สงบเหมือนคนปลงตกก่อนที่จะเดินเข้าสู่หลักประหารมันเป็นขนาดจิตแห่งการสำรวมพร้อมทั้งกายและใจส่วนเชิดวุฒนั้นก็อยู่ในภาวะเงียบเฉยเช่นเดียวกันริมฝีปากขมุบขมิบแต่ไม่มีเสียงใดๆผ่านลำคอออกมาอาการของนายทหารหนุ่มเหมือนจะ ก, กาลังสวดภาวนาไปถึงพระพุทธเจ้า และ พ, พระอาหารหันต์เจ้าทุกพระองค์ท่ามกลางความเงียบงันไปเชื่อขนาดจิตนั้นเสียงเบาๆจา ก, กลำโพงของวิทยุติด ต, ตัวของแต่ละคนที่เปิดไว้ก็ดังแววออกมาว่าทำไมทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวทั้งหมดตื่นจากผวังนึกขึ้นมาได้ว่าในกลุ่มของบุคคลฉันหัวหน้าแล้วเบลยังนั่งอยู่ด้านล่างท่ามกลางกลุ่มลูกหาบและพวกรานพื้นเมืองขณะ น, นี้หลอนกาลังมองขึ้นมาและโบกมือเรียก เราลงไปกันก่อนเถอะครับเวลายังมีอยู่เหลือเฟือสําหรับวันนี้ทานอาหารเช้าให้เสร็จพักตั้งสติกันอีกสักหน่อยแล้วเราจะเริ่มงานสำรวจกันละดราฟินกล่าวกับทุกคนในกลุ่มที่ขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ด้านหน้าของโครงซอกอกสิงหินแล้วเดินนํากลับลงมาอย่างที่พักชั่วคราวอันเป็นสถานีหุงหาทันทีเมื่อเข้าก้าวเข้ามาถึงก็ตรงเข้าไปที่อิสซาเบลซึ่งยังไม่ได้ทักทายอะไรกับหล่อนเลย ในขณะที่ย้อนกลับมาถึงเพราะมัวแต่เพนขึ้นไปดูก้อนหินหล่นซะก่อนเขาซุดตัวลงตรงหน้ารวบต้นแขนของหลอนทั้งสองข้างบีบแน่นพร้อมกับยิ้มอย่างให้กำลังใจรู้สึกว่าคุณจะมีอาการดีขึ้นบ้างทีเดียวเบลตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลอนหัวเราะตอบเขาแววตาและอาการเต็มไปด้วยชีวิตและความแจ่มใสทุกคนจูบฉันเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ของฉันกันหมดสิ้นแล้ว เหลือแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่พอมาถึงก็เพ่นขึ้นไปบนนั้นเลยเบลบอกเสียงใสเป็นเสียงเรียกร้องอย่างเด็กๆมากกว่าที่จะประสงค์อื่นใดสุภาพบุรุษไพรยพยักหน้าลงนิดหนึ่งจริงสินะขอให้พระเจ้าและสวรรค์จงประทานชีวิตใหม่ที่ดีงามแก่คุณกล่าวจบเขาก็ชงโกหน้าเข้าไปจูบเบาๆที่หน้าผาก ข, ของหลอนอย่างปราณีพลางนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้า สำรวจดูไปตลอดทั้งกายของหล่อนซึ่งยังอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ขาดวิ่นกระรุ่มกระริ่งมีจุดด่างดวงของรอยเลือดเต็มไปหมดแต่บัด น, นี้แห้งกรังแล้วและพักพวกทุกคนที่เข้ามานั่งร่วมกลุ่มแวดล้อมอาการของเบลยามนี้กับปรีกับเปล่าเป็นสุขและดีใจที่เห็นทุกคนพร้อมหน้าเบลเธอดูกระรุ่มกระริ่งทุเรศในตาเหลือเกินไปจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อใหม่ไปหัวหน้าคณะออกคําสั่งยิ้มยิ้ม แม่ผมแดงหัวเราะระรื่นอยู่เช่นนั้นเอามือทั้งสองเท้าไหล่คิดและเชิดวุฒคนละข้างยันกายลุกขึ้นยืนพอก้าวเดินก็สวญเสเล็กน้อยคริสติน่าปราดเข้ามาคิ้วปีกไว้แล้วประคองพาเพื่อนสาวเดินเข้าไปหลบอยู่หลังกองเถาวันใหญ่เพื่อปลาดเปลื้อเสื้อผ้าให้แม่ผมแดงมีอาการเดินกระโเผกกระเพลกเล็กน้อยหน้านิ้วสูตรปากเพราะบาดแผลจากโคนขาที่ถูกไม้ต่ําแต่ก็ยังหัวเราะ อใจใหญ่ต่อมาก็กลับเข้ามาร่วมกลุ่มกับพรกคพวกที่นั่งรอยอยู่อาการเดินคล่องแคล่วขึ้นจากสภาพที่เคยกับเพกเล็กน้อยบัด น, นี้หล่อนอยู่ในชุดใหม่ที่ผัดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วและทั้งหมดก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อแรกแห่งวันพร้อมกันจากเครื่องกระป๋องเรชั่นและเนื้ อ, อย่างที่เหลือค้างมาจากเมื่อวานนี้พร้อมทั้งสนทนาไต่ถามกันไปพลางในเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างผจนมาในคืนฉุกละหุก ข, ขีดสุดอีกคืนหนึ่ง ความเคยชินทําให้ไม่เกิดความอาทรหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นเมื่อทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์มาได้แค่รอดตายปลอดภัยกันพอสมควรก็เป็นที่พอใจแล้วทุกคนของฝ่ายนายจ้างของเขามีหัวใจเป็นเหล็กเพชรไปโดยปริยายจากประสบการณ์ความเคยชินไดจนไร้ความสะดุ้งสะเทือนใดๆเลยข้อสนทนากลายเป็นเรื่องของการขบขันสนุกสนานเสมากกว่าความวิตกกังวลเป็นทุกข์ และอันว่าคนเรานั้นลงได้ปราบจิตใจพร้อมรับรู้ล่วงหน้าว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเช่นนี้ความวั่นไหวใดๆมันก็หมดสิ้นไปเองโดยปริยายวันนี้พอไหวไหมเบลเชิดวุดเอื้อมมือมาจาับข่าวเบลผู้กำลังซดซุปกระป๋องอยู่ถามขึ้นอย่างสัพยอกหล่อนยิ้มร่าเริงเหมือนเดิมไว้แต่จะเดินเร็วนักก็แล้วกันแล้วก็อย่าให้มีเหตุการณ์อะไรมาถึงกับทาให้ต้องวิ่ง ฉันเชื่อว่าพอจะพยุงสังขารตามไปด้วยได้เราคงไม่ทำอะไรกันมากนะ้วไม่ใช่หรือระพินสำหรับวันนี้คิดถามเบาๆก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าจะสำรวจที่ภูเขาหินเป็นรูปสิงหหมอกคู่นี้กับพื้นที่บริเวณข้างเคียงหากมีเวลาพอเขาบอกพลางแง น, น้ามองดูแสงตะวันอันเริ่มแรงกล้าส่องลอดซุ้มเถาวัลย์ปราศจากใบเกาะเกี่ยวประสานกันเป็นเพาดานอยู่เหนือหัว ขนาะนั้นมันเป็นเวลาประมาณ10 0โมงเช้าหรืออาจกว่าเล็กน้อยอากาศเริ่มจะอบอุ่นแล้วกล่าวต่อว่าบางทีเราอาจต้องพักกันอีกสักคืนในบริเวณนี้แหละเพราะเป็นชัยภูมิที่เหมาะที่สุดแล้วและในการสำรวจถ้ำใต้เขาซึ่งสลักเป็นรูปสิงโตหมอบนี่ก็จะต้องอาศัยความรู้ทางธรณีวิทยาจากเบลมากทีเดียวพระเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันอีกครั้งและถ้ามีช่องทางที่จะเดินลงสำรวจได้ ก็จะลงไปตามช่องทางนั้นเชื่อว่าคงจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกมากอิซาเบลกล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสปกติของหล่อนเหมือนกับว่าเหตุรายที่ผ่านสำหรับตัวหล่อนเองอันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเป็นเพียงคแค่ความฝันเท่านั้นแม้มันจะเหลือร่องรอยแห่งความบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ก็ตามยาที่มีคุณภาพสูงการพยาบาล ร, รักษาที่มีสมรรถภาพช่วยให้หลอนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับกำลังใจและขวัญที่ดีเยี่ยมหล่อนบุ้ยปากขึ้นไปบนเนินหินรูปสิงโตมีปีลักษณะของมันเ็นเทวรูปมหฮึมาที่เคยตั้งอยู่ในที่สูงมากทีเดียวแต่ซุดลงมาแทบจะราบกับดินเพราะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดข้างใต้จะต้องมีเส้นทางเดินนำไปสู่ห้องอะไรต่ออะไรอีกมากมายหากไม่ถูกปิดตันซะก่อน แนวลำพูที่ฉันกับราพินนี้พวกมารนรกมาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ครูเมืองอย่างที่เราพบกันมาแล้วแต่มันเป็นรอยแยกของของแผ่นดินตัวเทวรูปสิยงบีปีที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ก่อสร้างขึ้นมาแต่เดิมทีมันจะต้องเป็นภูเขาหินทั้งลูกที่มนุษย์ได้ขุดแกะสลักและเจาะเข้าไปเป็นฝีมือสถาปัตยกรรมชั้นสูงเกินกว่าที่มนุษย์สมัยนี้จะทําได้และจะต้องใช้เวลาพร้อมทั้งกําลังคนมหาศาล แบบเดียวกับการสร้างสรรค์ของไอยาคุปที่เคยเจริญรุ่งเรืองขีดสุดมากแล้วพอคำนวณถูกไหมว่าอายุมันเก่าแก่มามากสักเท่าไหร่แล้วสแตลลี่ถามอย่างไม่มั่นใจนะักเบลเอามือจับปลายคางมองดูตัวสิงหินมะฮือมาและขั้นบันดันไต่ขึ้นไปของมันตลอดจนพื้นภูมิประเทศกับดินแวดล้อมพึ่พรรมพัว่า ไม่เคยมีใครคำนวณอายุของมหาปิรามิดได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ยุคสมัยใดแต่ปิรามิดก็ยังดีที่ไม่เคยมีร่องรอยของแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดเข้ามาเป็นฉากกัน้นส่วนอาณาจักรแห่งนี้เคยมีการระเบิดของภูเขาไฟแผ่นดินบางส่วนยุบลงบางส่วนสูงขึ้นมีชั้นของลาวากั้นไว้อีกถ้าหากเรามีเวลาพอที่จะขุดลงไปแล้วการระเบิดของภูเขาไฟก็ยังแบ่งไม่ถูกว่า ได้เคยมีขึ้นกี่ครั้งมาแล้วมันอาจเกิดซ้ำขึ้นอีกภายหลังจากอาณาจักรมีล่มไปนานแล้วก็ได้เป็นต้นว่าเป็นเมืองร้างไปก่อนแล้วพันพันปีภายจากธรรมชาติก็มาซ้ำเติมอีกฉชนกาไม่ถูกจริงๆแต่ดูจากลักษณะของซากฟอสซิลเชื่อแน่ว่ามันเก่าแก่กว่าแผ่นดินออยคุปหรือบาบิโลนตลอดจนทุกอาณาจักรโบราณที่เคยค้นพบกันมาแล้ว มันน่าศึกษามากถ้าหากเรามุ่งมาในเรื่องนี้โดยตรงและมีเครื่องไม้เครื่องมือมาพร้อมแต่นี่เรามาในวัตถุประสงค์อื่นจึงได้แต่ดาวหรือค่าเคลียรเอาเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าจะมาพบเอาอาณาจักรลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในเอเชียส่วนนี้คุณไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องให้รายงานละเอียดอะไรนะักราพินบอกเรียบๆ เ, เราเพียงแต่สำรวจดูเท่านั้นว่ามันมีอะไรอยู่บ้าง ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามันเป็นแหล่งเก็บซากศพโบราณที่มันเคยยกขยงกันมาทำร้ายเราเราก็จะหาทางปิดกั้นไม่ให้มันออกมาได้ก็แค่นั้นเองที่ผมต้องการถ้างั้นก็ไม่น่า จ, จะยากเกิ่นอะไรนะได้ข่าวจากคริสว่าเมื่อก้อนหินบนเพดานมันหล่นลงมาตรงที่เรานอนพักกันอยู่เมื่อคืนพบว่ามีช่องโครงทอดลงไปสู่พื้นดินด้านล่างด้วยหรือ เป็นบันไดหินทอดลงไปเลยแต่จะลึกสักเท่าไหร่นำไปถึงไหนหรือไปตันอยู่แค่ไหนยังไม่ได้รับคำสั่งให้ลงไปตรวจดูคริสติน่าบอกมาใช่ผมสั่งกำชับไว้เช่นนั้นแต่ประเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจดูการตกลงมากระแทกพื้นโดยแรงของเพดานก็ดีไปอย่างเหมือนกันเพราะมันเปิดปากทางที่เคยเล็กแคบตีบตันให้กว้างออกไปอีกมากผมชะงกเข้าไปดูเมื่อตะกี้นี้ ระินกล่าวกับทุกคนที่อยู่ในลักษณะประชุมหารือส่วนพวกลูกขาบและพรานพื้นเมืองขนาดนี้ก็พอจะทราบสถานการณ์ละเอียดแล้วโดยการบอกเล่าของบุญคําซึ่งจับกลุ่มประชุมกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งใกล้ๆแล้วที่สิงคู่อีกตัวที่เห็นตะแคงอยู่นั่นละ่ะมีใครทัดลองไต่ขึ้นไปดูแล้วอย่างสภาพมันเป็นยังไงบ้างเบลชี้มือถามยังไม่มีใครเข้าไปดูที่ตัวนั้นเลยเพราะยังไม่มีเวลาพอ ก็บอกแล้วว่าเฉพาะวันนี้เราอาจสำรวจได้เพียงแต่สิ่งอันเป็นภูเขาแก่สลักสองลูกนี้เท่านั้นเอาละเรื่องนี้ประเดี๋ยวเราจะลงมือกันแล้วคริสติน่าพูดเหมือนจะตัดบทภายหลังกรอกน้ำจากกระติกใส่ปากแววตาสีฟ้างามของหล่อนเข้มแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะเผชิญในทุกสิ่งซึ่งรออยู่เบื้องหน้าสำหรับเบลในวันนี้ หามีการเดินทางเคลื่อนไหวเธอยังไม่พร้อมที่จะมีภาระออกแรงแบกของหนักใดๆทั้งสิ้นเป้หลังถอดออกให้พรานคนหนึ่งคนใดที่จะเดินประกบคู่ใกล้ชิดเธอไปด้วยและไม่ว่าจะเกิดความจำเป็นอย่างใดเธอยังยิงปืนทุกชนิดไม่ได้เพราะมันจะสะเทือนต่อบาดแผลรพินคุณต้องกำหนดตัวพรานลูกน้องของคุณสักคนหนึ่งคอยเป็นพี่เลี้ยงเบลด้วยเขาก้มหัวลงนิดหนึ่งข้อนั้นไม่ต้องห่วง และดีมากที่เตือนให้รู้เสีย ก, ก่อนผมจะให้บุญคําเป็นพี่เลี้ยงคอยประกบชิดตัวไว้เสมอแล้วก็มีเกิดอีกคนหนึ่งที่จะทําหน้าที่แบกหามหรืออุ้มถ้าจําเป็นเพราะมันแข็งแรงหน่อยนอกจากนั้นแล้วก็ต้องขอแรงไปทางเชิดบุญและคิดที่จะต้องคอยจับตาดูไว้ด้วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วตัวคุณเองล่ะคริสถามหน้าตาเฉยยางชนิดไม่น่าจะถามรานใหญ่ยิ้มกราน ผมควรจะมีหน้าที่นำทางสำรวจไม่ใช่หรือและคงจะไม่มีสายตาเฉียบไวพอที่จะมาคอยสังเกตดูเบลนะักในงานที่จำเป็นมากกว่าคุณยังไม่ได้บอกให้ฉันเข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงต้องย้อนกลับไประเบิดโค้นต้นสายต้นนั้นคริสถามในสิ่งที่ดูเหมือนหล่อนจะรอคอยจังหวะมา น, นานแล้วระพินมองไปทางหัวหน้าคณะเหมือนจะเป็นการขอร้องให้ช่วยอธิบายแทนเขาสแตลลี่รู้ความหมายจึงขยับเข้าไปใกล้คริส และทิบารให้ทราบในสิ่งที่ตนรับทราบและเห็นสิ่งประหลาดมากับตาโดยมีคิดและเชิดวู้ช่วยอธิบายคนระยะเวลาระหว่างนี้ระพินถือโอกาสเดินผ่านจากกลุ่มนายจ้างไปสอบซักถามอะไรยอยู่กับพวกปรานพฤฤื้นเมืองและกลุ่มลูกหาซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสจะได้พูดคุยกับพวกนั้นนับตั้งแต่ฝูงหมานารกเข้าโจมตีเมื่อคืนสองสมคนถูกมันงับเอาและบ้างก็ถูกน้ำลาย จาเกิดและเสอร์เป็นผู้บอกให้เขาทราบว่าคริสติน่าได้จัดการฉีดย้ายทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคนละเข็มจะไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีกต่างกว่าวัคซีนธรรมดาที่เคยรู้จักกันในวงการแพทย์ที่จะใช้ฉีดเยียวยาคนที่ถูกพิษสุนัขบ้าการประจันบานเมื่อคืนพวกพรานพื้นเมืองของเขาได้รายงานว่ากระสุนปืนหมดไปกว่าครึ่งคอนของจานวนที่แบกขนกันมาพวกลูกหาบดีใจที่ไม่ต้องแบกหนักอีก กระสุนที่สิ้นเปลืองมากที่สุดก็คือลูก 5.56 ม mm, ิลิเมตรหรือกระสุน M16 กับพวกลูกซองซึ่งเรื่องนี้ระพิิตระนักดีเพราะเขาได้ยินมันรัวหูดับตับมาติดต่อกันราวกับสงครามถ้าเท่ากับที่เมื่อย้อนกลับไปยังแคมป์ก่อนระเบิดต้นสาก็เห็นปลอกทิ้งกลาดเกลื่อนอยู่นับไม่ถ้วนมันเป็นการระดมยิงหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้ว ถ้าเจอไอ้พวกหมาป่านั้นอีกก็เห็นจะไม่ต้องยิงกันอีกแล้วละนายกระสุนหมดจันบอกอ่อยๆเราหวังว่าคงจะไม่ต้องยิงอะไรมากเหมือนอย่างเมื่อคืนนี้อีกแล้วนอกจากยิงหาอาหารหรือป้องกันตัวเฉพาะท่าที่จำเป็นเท่านั้นเขาบอกพวกนั้นอย่างปลอบใจแล้วสั่งความกับบุญคาและเกิดให้มีหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงเบลตามที่ตนได้บอกไว้กับฝ่ายนายจ้างแล้ว แมมเบลจะเดินไหวหรอนายวันนี้เซยถามยังเป็นห่วงเดินนาคงไหวแต่วิ่งคงลำบากและช่วยตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่ยิงปืนเพราะจะสะเทือนแผลเพราะฉะนั้นบุญคำกับเกิดจะต้องคอยดูแลให้ดีพรานใหญ่กำชับมาครูใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงดีดนิ้วแรงๆเหมือนจะเรียกมาพอหันขวับก็เห็นสแตนลี่กวากมือจึงเดินย้อนกลับเข้าไปหาอีกครั้ง ทางเราพร้อมแล้วจะเริ่มลงมือกันเมื่อไหร่อเมริกันอาวุโสถามขึ้นเดือดการจริงจังเอางานเอาการรัฐพินกวาดตายอย่างรวดเร็วไปยังคณะนายจ้างของเขาทุกคนและมาจับนิ่งอยู่ที่เบลขอความมั่นใจอีกครั้งคุณพอเดินไหวไหมเบลข้อสอบความรู้สึกแรงอากาศของหลอนอย่างเป็นห่วงถ้าอย่างไงแล้วผมยังอยากให้คุณได้พักผ่อนต่อไปอีกสักระยะเพราะถึงอย่างไรเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไกล กองสำพระราและพวกลูกหาส่วนใหญ่จะหยุดรออยู่บริเวณนี้ก่อนคุณจะพักอยู่กับพวกที่ให้รอคอยอยู่ตรงนี้ก็ได้เราจะต้องแบ่งกําลังออกเป็นสองฝ่ายอยู่แล้วฝ่ายหนึ่งเข้าไปสํารวจในซอกถ้าใต้สิงโตหินนั่นอีกฝ่ายจะรอยอยู่ข้างนอกเพื่อเฝ้าของและคอยสกัดดูต้นทางไว้ระหว่างที่อีกฝ่ายหนึ่งลงไปสํารวจอิซาเบลลุกขึ้นยืนเต็มสวนศาสตร์ของหล่อน ฉันแน่ใจว่าฉันไปกับพวกคุณไหวอย่างที่บอกไว้แล้วมันสําคัญอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นฉันล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของคุณหรือไม่ประการหนึ่งในอีกประการหนึ่งฉันจะเป็นประโยชน์ในด้านงานสํารวจของคุณได้หรือไม่ ซ, ซึ่งมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณเองแต่ถ้าเห็นว่าไม่จําเป็นจะสั่งให้ฉันอยู่กับฝ่ายพวกที่รอข้างนอกนี่ฉันก็จะไม่ขัดคําสั่งขณะนั้นคริสติน่าก็แทรกมาทันทีว่า ฉันมีความเห็นว่าเบลควรจะร่วมในการสำรวจของเราด้วยระพินถ้างั้นทุกคนเตรียมตัวได้เดี๋ยวนี้จอมมักุเทศสั่งเรียบเรียบยกเว้นเบลแล้วขอให้ทุกคนอาวุธพร้อมเครื่องหลังพร้อมไฟฉายตะเกียงแบตเตอรี่และอุปกรณ์จำเป็นเฉพาะในการสำรวจถ้ำนอกกนั้นแล้วทิ้งไว้กับกองสัมภาระข้างนอก น, นี่แหละเบลคุณมีปืนติดเอวไว้กระบอกเดียวก็พอ ร้องกล่าวรพินก้มลงหยิบเข็มขัดปืนสั้นจุดห้ของอิซาเบลที่ถอดวางอยู่กับกองสัมภาระโยนส่งไปให้แม่ผมแดงรับไว้ได้อย่างฉับไวอาการของหล่อนเริ่มกระฉับกระเชงปราดเปรียวขึ้นกว่าตอนที่เพิ่งจะรู้สึกตัวครั้งแรกระหว่าที่หล่อนคาดเข็มขัดปืนติดเอวและดึงปืนออกมาเปิดโม่ตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยของกระสุนคิดถามมาว่าจุดหมายแรกของเราเพียงแค่เข้าไปสำรวจที่สิงโตหินนั่นไม่ใช่หรือพักพวก ใช่เขาพยักหน้าบอกสั้นๆขยับลูกเลื่อนไรเฟิลตรวจ ด, ดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงแล้วแกะออกจากอีกกล่องหนึ่งเสบกระสุนสำรองไว้บนอกเสื้อที่เหลือยัดใส่กระเป๋ากางเกงก็เห็นกันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนอกจากไฟฉายและเครื่องมือสำรวจถ้ำทำไมถึงจะต้องให้พวกเราติดเครื่องหลังไปด้วยให้หนักเปล่าสถานีภาพเราก็อยู่ตรงนี้เองเราต้องกลับขึ้นมาอยู่แล้วไม่ใช่หรือ พระพิณ์ขยี่ปลายจมูกอย่างเริ่มงุนงิดแต่แล้วก็พยายามระ ง, งับเสียเขาไม่อยากจะถือสาในความไม่ประสาอะไรของเจ้าคีสแล้วนอกจากเวทนาแทนที่จะด่าว่าอะไรเจ็บๆ จ, จึงเพียงแค่บอกด้วยน้ำเสียงปกติว่าน่าเห็นอยู่แล้วคีสแค่คืบหรือสอกเดียวภายในป่าอาถรรพ์ที่แวดล้อมเราอยู่ขณะ น, นี้มันล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้นเรามองเห็นกันอยู่ ช, ชัดๆว่า จุดแรกจะเข้าไปสำรวจถ้ำใต้ซ อ, อกอกสิงโตหินนั่นมันใกล้แค่นี้เองแต่ในการเดินลึกลงไปตามทางสุดแต่เราจะค้นพบเรายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและจะเดินลึกเข้าไปถึงไหนต่อให้เดินกันไปเป็นหมู่อย่างนี้แหละมันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องแตกกระจายพลัดพรากกันไปเมื่อไรก็ได้ซึ่งในภาวะเช่นนั้นสภาพมันจะเป็นลักษณะตัวใครตัวมันก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือกันได้ทัน เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ยังชีพประจําตัวจะต้องพร้อมไว้เสมอในแต่ละบุคคลเราหวังที่จะได้กลับกันขึ้นมานั้นถูกต้องแล้วแต่อะไรจะเป็นหลักประกรันให้เชื่อเช่นนั้นได้ร้อเปอร์เซนอาจไม่มีใครมีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกได้เลยสักคนหรืออาจกลับขึ้นมาได้แต่ไม่ครบตามจํานวนที่ลงไปนรกเท่านั้นที่จะรู้แต่นรกก็ไม่เคยบอกอะไรแก่เราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทไว้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เข้าใจคิดพยักหน้างึกๆงึกรับคำโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกเชิดวุชออาปลายบุชเขียยตะตุมอเมริกันร่างยักษ์ซึ่งบัดนี้กลายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วไอ้งั่งเอ้ยนี่หรือว่าพันเอกแห่ง US a r ส y มีผู้อ้างว่าเคยฝ่าดงกองโจิของไอ้แก้วมาแล้วโง่จังเลยบุกป่าฝ่าดงผ่านเผชิญอะไรต่อไม่อะไรมาสารพัดกับเราพินถึงขนาด น, นี้แล้ว ก็ยังมีคำถามโง่ๆอยู่อีกไม่มีใครเขาบังคับเองหรอกวะถ้าเองขี้เกียจหนักหลังจะเดินลงไปมือเปล่าๆก็สุดแล้วแต่เองขอให้รู้ไว้ด้วยในโพรงถ้ำใต้าฐานสิงนั่นธรณีอาจสูบเองลงไปคนเดียวก็ได้เหมือนื อ, นอย่างข้ากับคริสที่เคยไปติดอยู่ในโพรงใต้ภูเขามาแล้วพี่ก็ไม่น่าจะไปมัวเสียเวลาอธิบายอะไรกับมันเลย ประโยกหลังนายทหารหนุ่มหันไปบอกเบาๆกับระพินคีดไม่พูดอะไรถือโอกาสดีดลูกหลังไปที่เชิดวุฒผู้ยังนั่งอยู่ความจริงมันน่าจะพอดีกับยอดอกของลูกชายท่านในพลแต่เชิดวุดไว้พอใช้คว้าตีนสวมบูทข้างนั้นของในคีดได้เหมือนจะรู้เส้นท่านเชิงกันอยู่แล้วหมุนบิดแผลบคีตเสียหลักพลิกหมุนคว้างเพราะถ้าขืนฝืนก็แปลว่าขาข้างนั้นเขาอาจเคล็ดร้องจ้า หัวเขมำลงไปเอาหน้าทิ่มตักคริสผู้กำลังนั่งจัดของอยู่ไม่เสือผมทางอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งพรันหน้าของนานั่นตามเข้าไปกึ่งกลางเป้ากางเกงของหลอนพอดีขยุ้มหมับเข้าที่ก้านคอกระชากขึ้นชันมืออีกข้างหนึ่งยัดเข้าไปที่ปลายคางของเพื่อนชายจอมกวนผลักเสยขึ้นคิดผลักกลิ้งไปอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกับร้องโวยวายลัน่นทำไมมันรวมการฉะชั้นคนเดียวแบบนี้ แดนนี่อิซาเบลและเชิร์ดวูดหัวเรากกันคลึกครื้นคริสไม่กล่าวอะไรนอกจากตาเขียววาวขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วหันไปจัดของตามเดิมระพินเองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ ก, กึกๆออกมาด้วยความขันเดินเข้ามาช้อนปีกพยุงให้ลุกขึ้นคิดทึดทัดทําท่าจะปรีเข้าไปเล่นงานคริสเพราะถูกผลักด้วยหลักของคอมมอดเมื่อรตีน้นี้แทบทําให้คอหักแต่ระพินเข้าขวางหน้าไว้ทันควันบอกยิ้มๆว่า อย่ามัวเล่นกันร้ายสาระอยู่เลยเพื่อนงานสำคัญรอข้างหน้าอยู่แล้วคริสแยกเขี้ยวคำรามไปทางแม่ผมทองเบาๆแปลเป็นภาษาไทยคงได้ความว่าระวังให้ดีเถอะสักวันหนึ่งพ่อจะจับขึงพืชให้ได้ตั้งแต่เป็นหลดติดอยู่ใต้ภูเขากับไอ้ลูกหมานั่นดูจะสมัครสมานสามเมื่อขีปรองดองกันดีเหลือเกินนะบังเอิญคริสจับกระแสะความได้ถนัด หลอนชะงักมือหันกลับมาอีกครั้งจ้องทั้งคิดและระพินแล้วบอกมาเบาๆเช่นกันว่าที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรได้ทั้งนั้นหรือจะร่วมมือกันทั้งสองคนนั่นก็ได้นะไม่เกี่ยงเป็นเรื่องระหว่างคุณทั้งสองกรุณาอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องรานใหญ่ตอบสวนด้วยน้ําเสียงแผ่วตามเป็นปกติแล้วหันไปตะโกนเรียกพวกรานพื้นเมืองของเขากับลูกหาบทุกคนให้เข้ามาประชุมสั่งงานทันที กำลังโคลนร่วมตายทั้งหมด20ิบคนถูกแบ่งออกเป็นสองชุดอีกครั้งพวกลูกหาบทั้งหมด10คนถูกกำหนดนให้พักรอคอยแบบวางปางพักชั่วคราวอยู่หน้าบันไดหินกลางป่าเถาวันนั้นโดยระพินสั่งให้พรานมือซ้ายของเขาคือจรรันทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลส่วนคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดทุกคนสมทบด้วยบุญคาเกิดและเสยรวมทั้งเขาด้วยเป็นจานวน9คน จะเป็นฝ่ายที่เข้าไปตรวจตราสำรวจดูภายในบริเวณอเมลัสนาเหมือนเทวสถานซึ่งโครงนอกแก่สลักจากภูเขาย่อมย่อมทั้งลูกเป็นรูปสิงห์หมอดตำแหน่งที่เขาและเบลเคยเข้ามาพักอาศัยหลบซ่อนตนอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมอบวิทยุติดต่อนหนึ่งเครื่องไว้ให้กับจันทร์เพื่อจะใช้ส่งข่าวถึงกันได้ถ้าจำเป็นคอสังเกตดูบริเวณโดยรอบไว้ด้วยระหว่างที่ผู้ชายเข้าไปในนั้นเขากำชับสั่งจันเป็นการซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง อย่าให้ลูกหาบคนไหนเกะกะเพ่นพ่านไปไหนเกยรัศมีสายตาถ้าเห็นอะไรผิดปกติรีบวิทยุรายงานให้รู้และถ้าเกิดเหตุร้ายก็ให้ตัดสินใจแก้ไขป้องกันช่วยเหลือกันเองตามแต่จะเห็นเหมาะสมถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงอะไรทั้งสิ้นที่โผล่ออกมาให้เห็นแต่ให้เฝ้าจับมองไว้จันรับคำอย่างมั่นคงและพอจะไว้วางใจได้เต็มที่สาหรับสมุนมือซ้ายรุ่นอาวเซ็ ข, ของเขา แต่ก็ไม่วายถามมาเสียงอ่อยๆว่าพวกนายจะเข้าไปในนั้นนานไหมยังบอกไม่ถูกมันสุดแล้วแต่ว่าจะมีหนทางเดินลงไปถึงที่ไหนบ้างแต่คิดว่าจะไม่เข้าไปให้ลึกเกินไปนะคอยฟังจากวิทยุก็แล้วกันซีเนาของจันไม่ค่อยเป็นสุขนะักถ้าพวกนายที่พากันเข้าไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาละ่ะถ้าเรียกวิทยุแล้วจันไม่ได้ยินเสียงตอบจะให้ทำยังไงระพินยิ้ม จันฉลาดรอบค้อพอใช้ทีเดียวแทบไม่แพ้บุญคําในเรื่องนี้วิธยุที่เราจะใช้ติดต่อกันอาจเรียกไม่ได้ยินถ้าผู้ฉันเดินลงไปลึกในโพรงถ้มใต้ดินอย่าเพิ่งกังวลอะไรให้สงบคอยไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเกินสามชั่วโมงหลังจากนี้ไปอย่าไม่ปรากฏวี่แววอะไรจากฝ่ายฉันก็แปลว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติขึ้นแล้วจันกับพวกนี้ลงไปตามได้เลย หรือจะจัดการยังไงก็สุดแล้วแต่จะตัดสินใจเอาเองจำไว้อย่างเดียวว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็เอาชีวิตตัวเองและพวกลูกหาบให้รอดไว้ก่อนก็แล้วกันทำไมไม่ให้ไอ้เกิดหรือไ อ, เอ้เสยอยู่เฝ้าพวกลูกหาบกับข้าวของข้างบนนี้จันอยากจะไปกับพวกนายด้วยคนเสียงจันบ่นเบาๆระพินตบไหล่พรานคู่ใจมือซ้ายของเขาเกิดกับเสยยังเด็กเกินไป ตัสินใจรับผิดชอบต่อพวกข้างบนนี้ไม่ได้หรอและที่ฉันเอาสองคนนี่ลงไปด้วยก็เพราะบางทีอาจจะต้องอาศัยแรงอาศัยกำลังของมันแทนลูกหาบจานอยู่บนนี้เหมาะที่สุดแล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากตะคำคนที่จะรับผิดชอบบนนี้ระหว่างที่พวกเราทั้งหมดไม่อยู่ด้วยจะต้องเป็นคนที่ฉันไว้วางใจได้มากที่สุดลานมือดีของเขาถอนใจเบาเบา แล้ว ย, ยักหน้าอย่างยอมจำนวนไม่กล่าวอะไรอีกเพราะเจ้านายให้เหตุผลมาอย่างแย้งไม่ได้พวกลูกหาทั้งหลายก็รับรู้ในคาสั่งของเขาทุกคนแล้วเขาก็เรียกบุญคำกับเกิดเข้ามาซักซ้อมอีกครั้งตาคำและเกิดขอให้รู้ว่านี่เป็นหน้าที่เฉพาะครั้งโดยตรงขอให้ทั้งสองคนคอยเดินอยู่ใกล้ชิดแมมเบลตลอดเวลาและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้น เขาวุ้ยป่าขึ้นไปยังด้านบนที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปอีกครั้งไม่ต้องคำนึงถึงใครอื่นทั้งสิ้นช่วยแมมเบลไว้ก่อนเป็นคนแรกเพราะแมมเบลยังอ่อนแออยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ถนัดสอบมยอหอวอรี่นะนายบนคำบอกมาหน้าตาเฉยระพินมองหน้าอยากจะถีบให้สักอักแต่ตาเท่าจอมสับ ป, ประโดกถอยออกพ้นระยะเท้าเขาเสียแล้ว เชิญวุฒิถ้าจะปล่อยกลางออกมาดังๆรลานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับปากพร้อยๆทะลึ่งโลนของลูกน้องเขาประกาศไปยังฝ่ายนายจ้างทุกคนว่าหวังว่าผมคงไม่ต้องเตือนนะครับว่าในนั้นพวกเราทุกคนจะต้องหูตาไวและใช้ความรอบคอบระมัดระวังเช่นไรบ้างมันอาจมีสิ่งที่เราเดาไม่ถูกรอคอยอยู่หรืออาจไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยก็ได้สําคัญที่สุดก็คือ ผลทางมันอาจแคบและจํากัดเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าจําเป็นที่จะต้องยิงโปรดคำนึงถึงวิถีกระสุนที่จะมาถูกพวกเดียวกันเองไว้บ้างนี่เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแต่ย้ำอีกครั้งถ้าสัตว์ ร, ร้ายที่เราจะพบในนั้นเป็นประเภทงูหรือสัตว์เลื้อยคลานมีพิษขอให้อย่าทำอันตรายใดๆกับมันทั้งสิ้นเพราะมันก็จะไม่ทาอันตรายเราเหมือนกันขอรับรองให้ได้ รับทราบและจะปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะบอกมาด้วยน้าเสียงเคร่งครึมว่าแต่เราจะบ่ายหน้าขึ้นสารวจที่ภูเขาหรือเนินรูปสิง์ทางด้านนี้ก่อนหรือครับเอาทางด้านที่เพดานมันถล่มลงมาก่อนนี่แหละทางเนินคู่กันนั่นค่อยว่ากันทีหลังกล่าวยังไม่ทันสิ้นประโยคจอมพรานก็เริ่มเคลื่อนที่ออกนําไปอย่างง่ายง่ายทุกคนไหวตัวตามจากเนินที่ลาดสูงขึ้นไป จนจดบันไดขั้นแรกอันโผล่พ้นรอยกลบเทับของหินลาวาขึ้นมาทั้งหมดก้าวขึ้นไปเป็นกลุ่มในลักษณะเกือบจะเรียงเป็นหน้ากระดานเนื่องจากมีเนื้อที่กว้างระหว่างที่ผ่านขึ้นไปทีละขั้นอันสูงประมาณขั้ละสองฟุตนั้นเห็นรอยแตกร้าวปริแยกและเอียงกระเทเร่สูงสูงต่ำๆ่ำแสดงถึงการเวลาที่ผ่านมานานแสนนานบางตำแหน่งก็มีต้นไม้ขึ้นแฉมจากรอยแตกปรักหักพังนั้น ทุกสายตาพิจารณาไปอย่างรอบคอบประมัดระวังเกิดและบุญคําทําหน้าที่คอยประคองขนาบข้างฮิ้วปีกเบลขึ้นไปตามหน้าที่อันได้รับมอบหมายแต่แม่ผมแดงดูเหมือนจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของทั้งสองมากนะักแม้จะเชื่องช้าหมดความคล่องตัวไปบ้างแต่ก็ยังแสดงให้เห็นจากอากาปกิริยาที่เคลื่อนไหวก้าวไต่ขึ้นไปว่าเรียวแรงภาระกําลังของหล่อนเริ่มกลับคืน ม, มาแล้วอย่างประหลาด ชั่วมีกี่อึดใจทั้งหมดเก้าคนก็ขึ้นมายืนอยู่บนปากโครงด้านบนสุดอันแลเห็น ช, ชัดๆในเวลากลางวันท่ามกลางลำแสงตะวันที่สาดลอดกิ่งไม้ลงมามันเป็นชาหรือลานระเบียงซึ่งสุดถลมลงแต่กระแหงอยู่ทั่วไปก่อนจะนำเข้าไปสู่โพรงซอกเหมือนคูหาใต้ร่องอกของรูปสิงขนาดใหญ่ที่หมอบอยู่พอจะให้ความเห็นเบื้องต้นได้บ้างไหมเมื่อขึ้นมาอยู่บนนี้แล้ว ด็อเตอร์สแตนลีย์หันไปร้องถามอิสาเบลผู้ซึ่งในขณะ น, นี้กำลังยืนพินิษไปรอบด้านของวัตถุโบราณอันเป็นสถานที่นั้นเมื่อคืนระพินหิว้วชั้นสมสานนีไอหมานรกพวกนั้นขึ้นมาวันนี้มันมืดเหลือเกินและขณะนั้นก็กำลังฉุกกระหุกเหนื่อยกันแทบขาดใจหลอนเอ่ยขึ้นเบาๆมองย้อนกลับไปยังเบื้องล่างตามแนวขั้นบันไดที่ผ่านขึ้นมาแล้ว แต่ตอนนี้พอจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้เลาๆบ้างแล้วผู้เขาไฟระเบิดใต้ดินทำให้เกิดแผ่นดินไหวและบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเดิมมันเคยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหาิมาที่เดียวและบนที่เรายือนอยู่นี้จะอยู่สูงกว่าระดับพื้นราบมากมันได้สุดถล่มจมดินลงไปลาวาพ่นขึ้นมากรบทับเหลือซากบางส่วนโผล่ขึ้นมาเท่านั้น ส่วนใหญ่เกินกว่า 80% ถูกกลบจมดิ่มไปหมดดูจากชั้นดินชั้นหินและสภาพของซากพอจะบอกอายุได้ไหมหัวหน้าคณะถามมาอีกในขณะที่ทุกคนมองดูบริเวณโดยรอบนั้นอย่างเงียบกริบอิสเบลสั่นศรีรษะช้าๆฉันบอกไม่ถูกมันมีทั้งเท่าลาวาและหินงอกหินย้อยภายใต้ซอกโรงนั้นซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งรอยอัดดันของดินที่โผล่งอกขึ้นมาใหม่ มันทําให้เกิดการแบ่งขั้นตอนของการเวลายางสับสนรู้แต่เพียงว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมากกว่าสองครั้งอย่างบริเวณนี้และเวลาต่างกันไม่น้อยกว่าครั้งละลอนเวรยะยเหมือนไม่อาจเอ่ยเป็นคาพูดออกมาได้ขณะที่ซุดตัวลงใช้มือแตะ ก, กับรอยหินครุขระที่จับอยู่ยังบริเวณขาหน้าข้างหนึ่งของรูปสิงแก่สลักนั้นบอกเอามาเถอะเบล แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วเหลือเชื่อเพียงไหนก็ตามเอาว่าเป็นสมมุติฐานก็แล้วกันเธอว่าเกิดแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งที่นี่แต่ละครั้งมันเว้นห่างกันเท่าไหร่โดยการคาดคะเนตามหลักของธรณีวิทยาไม่ต่ำกว่า1นึ่งมื่นปีขึ้นไปในการเกิดภัยธรรมชาติขึ้นแต่ละครั้งณบริเวณนี้คำนวณจากความแตกต่างของหินละลายซึ่งปกคลุมอยู่ แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราจะคํานวณย้อนหลังไปถึงสภาพเดิมตามยุคสมัยของนครแห่งนี้มิกลายเป็นแสนปีขึ้นไปหรือเสียงของหล่อนเบาเหมือนเป็นกระซิบสีหน้าปั้นยากที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อในทรษฎีคํานวณของคุณเบลเสียงห้าวลึกของจอมมกักคุเทศดังตอบมาในความเงียบแสนปีโอ้ก oh อ ระยะเวลาขนาดนั้นมนุษยชาติยังไม่ก่อ ก, กําเนิดขึ้นมาและไม่เจริญด้วยสถาปัตยกรรมถึงขนาดนี้เบลครางแห่แหกแตระพินยิ้มเครียดขรึมรีดวงตาลงคุณรู้ได้อย่างไงมันมีบทพิสูจน์ของใครที่จะยืนยันได้ว่าการเวลาแสนปีย้อนหลังหรือนาลงไปกว่า น, นั้นมนุษยชาติยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมนุษย์ยุคนี้ที่คิดว่าตนเอเป็นสัตว์โลด ท, ที่ปราดเปรื่องในปัญญาที่สุดแล้วนั้น สามารถจะมองย้อนหลังไปในพิภพโลกนี้ได้ไกลสักแค่ไหนพวกคุณส่งยานอาวกาศเพื่อจะออกไปสำรวจยังโลกอื่นดาวดวงอื่นแต่โลกที่อาศัยอยู่เองนี้ก็ยังรู้กันไม่หมดเลยแล้วคุณเองล่ะรู้ได้ยังไงคริสถามขึ้นจ้องหน้าเขาระพินเปิดริบบิปากออกมาเห็นฟันขาวเว้นแยกเขี้ยวอาจโดยสัมผัสจากประสาทส่นที่6 ที่7หรือที่8ของผมเองก็ได้แต่ผมก็ไม่อาจยืนยันหรือกำหนดเป็นข้อทฤษฎีใดๆขึ้นมาได้ทุกอย่างพวกคุณก็ได้มาเห็นกับตาอยู่นี่แล้วบางสิ่งมันก็สอดคล้องกับหลักวิชาที่พวกคุณเรียนรู้กันมาบางสิ่งมันก็ขัดข้านกันอยู่ในตัวเองทุกคนยอมรับว่าฝีมือมนุษย์ได้สร้างอาณาจักรหรือนครลึ ก, กลับแห่งนี้ขึ้นมาแต่เมื่อตรวจดูตามหลักธรณีวิทยา คุณก็บอกว่าการเวลาที่มันถูกแผ่นดินไว้ถูกกลาวว่าจากภูเขาไฟพ่นขึ้นมากลบฝังมันเป็นการเวลาที่มนุษย์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกมันค้านกันไหมเอาละ่ะเราอย่ามาเถียงกันในสิ่งที่หาคําตอบยังไม่ได้ดีเลยทุกคนโปรดก้าวตามผลเข้ามาในบริเวณโพรงถ้ำใต้ฐานสิ่งนี้ดีกว่าตําแหน่งที่ผมกับเบลมาอาศัยหลบนอนอยู่เมื่อคืนนี้แหละและเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันพิสดารออกไปอีก ระพีนก้าวนำเข้าไปก่อนติดตามด้วยอลิซิสเเบลผู้ซึ่งมีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วว่าตนได้ล่วงล้ำเข้ามาหลบภัยอยู่ในโพรงแห่งนี้ก่อนบุคคลอื่นจะตามมาพบเห็นภายหลังทั้งสองยืนอึ้งไปอีกขณะเมื่อมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเพดานหินเปราะซึ่งถล่มลงมากองพเนินอยู่ตรงบริเวณที่อาศัยพักนอนและชัเลืองมองไปศบตา ก, กันโดยไม่ได้เจตนา มันบ่งความอยู่ชัดแจ้งแล้วว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งเขาและหล่อนผู้กำลังบาดเจ็บสมใจกันเข้ามายึดเป็นที่พักอาศัยอยู่นั้นเป็นการเข้ามาอยู่ภายใต้เงื้อมหัดมฤตยูซึ่งอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปนั่นเองถ้ามันถล่มลงมาเส้นตอนนั้นในลักษณะที่เห็นกันอยู่นี่ทั้งสองชีวิตก็ไม่มีโอกาสให้พักพวกคนใดค้นพบได้อีกแล้วแม่ผมแดงเบ้ปากยักลายนิดนึง ระพินใช้เท้าเกี่ยวเศษหินที่กระเด็นอยู่เกลื่อนบริเวณโดยรอบก้อนหนึ่งเบื้องหน้าเขากลิ้งคลุกๆลุกไปอย่างปราศจากความหมายแง้มมองขึ้นไปเหนือศีรษาเบื้องบนอันบัดนี้ทะลุโล่งโวเป็นช่องกว้างใหญ่พอสมควรเปิดทางขึ้นไปเห็นกิ่งใบของต้นไม้ใหญ่อันปกคลุมอยู่สูงริบๆขึ้นไปแล้วก้าวข้ามเศษหินดินอันปรากหักพังปโรปรยปลายลงมาเหล่านั้นเลียงเข้าไปตรวจดูตามขอบผนังด้านหนึ่ง ซึ่งท่ามกลางแสงสว่างของที่วาการอันเจิดจ้าประกอบกับไม่มีหลังคาปกคลุมบางอยู่ด้านบนเช่นนี้ช่วยให้ทุกซอกทุกมุมอันเคยเป็นเงาปริศนากลุ่มเครือกระจายชัดออกไปหมดพ้าผู้ที่ร่วมทางกันเข้ามาก็กระจายกันออกเป็นหมู่เล็กๆ เ, เดินแยกสำรวจไปทุกทิศทางอย่างระมัดระวังพลางก็พูดกันซุบซิบแผ่วเบาลักษณะของมันเป็นห้องโถงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างใหญ่เกินกว่าที่เขาและเบลเข้าใจกันแต่แรกตอนที่เผ่นกันขึ้นมาหลบซ่อนตัวมากทีเดียวและตำแหน่งที่เพดานพังลงมานั้นเกือบจะเป็นจุดกึ่งกลางของห้องโถงนั้นเพียงแต่ว่ามีหินงอกและหินย้อยที่โผล่ขึ้นมาภายหลังตามการเวลาที่ผ่านไปนานแสนนานงอกแซมเกะกะขึ้นมาทําให้เปลี่ยนแปลงปิดบังสภาพเดิมของมันเสียจึงเห็นเพียงโครงแคบๆเหมือนซอกทา ในการมองอย่าง ผ, ดผาดผ่าดผิวเผินเมื่อคืนทั้งพื้นราบเบื้องล่างและผนังสกัดกั้นทั้งสด้านแท้จริงมีร่องรอยของการเป็นพื้นหินแกร่งเรียบซึ่งเซาะสกัดทําให้เกิดเป็นห้องโถงขึ้นโดยฝีมือสถาปัตยกรรมชั้นสูงของมนุษย์ที่เจาะภูเขาทั้งก้อนเข้ามาบัดนี้โดยอาการอันบึนบึนง ง, งงอย่างประหลาดพระพิณไพรวันเข้ามาหยุดยืนอยู่ชิดผนังด้านหนึ่ง อันมีหินงอกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นเบื้องล่างน้อยย่อมที่สุดทาให้มองเห็นผิวพื้นผนังตันทึบสูงใหญ่ด้านนั้นได้อย่างถนัดโดยไม่มีอะไรมาบังเกะกะมันเป็นพื้นดาสนิทปานนินเส้นสีเหลืองขาวและแดงที่ตัดเป็นลายทางขึ้นมาเหล่านั้นทาให้เขาต้องเบิกตาจ้องสํารวจอย่างพินิษมันปรากฏเป็นลวดลายเต็มไปหมดผนังทั้งด้านสูงและด้านต่ำตลอดแนว และยิ่งมองจ้องลึกลงไปภาพเหล่านั้นก็ยิ่งผุดเด่นกระจางชัดขึ้นตามลำดับแวบหนึ่งของดวงจิต ท, ที่จมลงสู่ห้วงพวังกวีนิพนธ์บทหนึ่งในลักษณะของฉันทลักษ์สมัยที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแผนกอักษรศาสตร์ก่อนจะย้ายเรียนทางวิทยาศาสตร์การทหารผ่านเข้ามาในเซลล์ของสมองเป็นวสันตดิโลกฉันข้อความบรรยายว่า เพ่งภาพตลอดตะละผนังก็มาลังมาเลืองสีแลเห็นสีเด่นประดุษมีชีวะแม่นกำมลครองภาพเทพนพพินิษ์นิ่งโนรสิงห์หลลัมยองครุดยุทธผู้ชงวิยะพยองและเยอขยับผันลวดลายระบายระบุ ก, กนาบกระแน่ภาพกันนกพัน แผ่เกี่ยวพกาบุตรสปรวัน ล, ลิและวางระหว่างเนืองภายใต้สเวตฉัตรรัฐก็จะรัดจรูนเรืองตั้งราชอานะประเทืองวอรมันจะบันถอนห้อยย้อยประทีปอุบะประทินรสกลิ่นก็เอมอ่อนอาบอบตรลบกระแจะขจรดุทิพสุมาลัย คนนาณาอเนขนะ อ, อนงสิริทรงเจริญใจสันพางค่าพันพิษประภัยกนพิมพะอับสรเรียงรายจะรุงรมมยาบากบริจาริกากรปันพักพิทักษ์บท บ, บอรนนนิวทะเวนวานโดยรอบมหานครเลกสินเนรุปราการห้อม มันมาทันอริจารานก็ระยอและท้อหนีแถวธรรมพระโดรณสล่างระยะทางจรันมีชนละคูประตูวรบุรีน่าระว่างพระพาราเรียงป้อมและปักทุชะระลายพิษค่ายก็แน่นหนาเสาธงสถิตทวชะมารุดโบกสะบัดปลายหอรบจะรับริปุพิรอ ระนะท้อหไทยไมายมุ่งยุธย่อมชิวะมาลายและประลาดมิอาจทานพร้อมพรั่งสรัรฟบพหนรนพยุพลทหารหารอัมมาตและราชบริวารวุฒิสเสวกากรเนืองแน่นขนาดอัศวพาหนะชาติกุญชรชาญศึกสมัตทะสุระสมอน ชยะเพิกริปูพินความสุขก็แสนบรมสุขและสนุกสนานยินยนในพไทยระบุบุรินทอรรัตจรูนเรืองกลางวันอนันตะคานนา น, านรคลาพระลายเนืองลกลางคืนมหุสวะประเทืองดุริสัพทะดีสีบรรสานผาสมสระนินาชพินพาดและเพรี แ่โซ่สดับสนอฤดีอุราล้าละเริงใจเมืองเท้าสีเทียบทิพระเสนอพ้าผ้าเลอสุราไลเมืองเท้าและสมบุรณภัยบุละมวลปร ะ, ะการนามทุกขุมขนของเขาลุกชันชู่ขึ้นทั้งกายใช่แล้วภาพว่าติดผนัง เหล่านี้มันระบุบอกความหมายประดุจเดียวกับฉันทละที่เคยเรียนมาบทนั้นมันสอดแทถึงความเรืองแห่งอารยธรรมขีดสุดในยุคหนึ่งของมรุษเียชาติไม่ว่าในด้านจิตกรรมประติมากรรมตลอดจนสะท้อนออกถึงความรู้สึกนึกคิดทัศนคติและวัฒนธรรมในยุคดังกล่าวซึ่งเขาก็ไม่ทราบว่ามันเป็นรอบวิวัฒนาการของยุคสมัยใดแต่ก็แน่ใจคือว่า ชนเผ่านั้นเป็นต้นกำเนิดแห่งลัทธิพราหม์อย่างแน่นอนเป็นสมัยที่มนุษย์สามารถจะติดต่อ ก, กับเทพเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและเพียรพร้อมไปด้วยสัยเวทกริสดาอภินิหารทางบนตราอาคมยุคที่เทววิทยากำลังเจริญสุดยอดส่วนบนสูงขึ้นไปเป็นภาพของพระมหาเทพผู้ทรงจันทร์เสี้ยวเป็นปิน่นประทับทะมึอนอยู่เหนือขุนเขาไกลลาดแวดล้อมไปด้วยมูเทพบริวาร จะอโนดาตอันลอยฟ้องไปด้วยเหมหงและกินนอนครุฑนาคราดคนทันยักษ์ตลอดจนสัตว์ในป่าหิมพันนานาชนิดลักษณะแปลกแปลกราชสีนกใหญ่ที่มีสีรษบเป็นคนสัมสัตว์สองเท้าสี่เท้าที่ระบุไว้ในเทพปกรณำต้นมะคลีผลที่ออกดอกผลเป็นสตรีสาวรุ่นกำดับเปลือยกาย ศรีศษะติดอยู่กับขั้วห้อยระยะอยู่เป็นตน้นต่ำจากแถบพิมพาน ล, ลงมาเป็นหมู่นักศิษย์วิทยาธรฤสีดาบทและผู้ทรงศีลหรือผู้มีฤทธิต์ต่างๆระดับกลางเป็นชนชั้นปกครองแผ่นดินกระสัประทับอยู่บนบันลังภายใต้เครื่องสูงสะพาอาวุธอันแสดงถึงพลังอำนาจประกอบไปด้วยธนูดอกศรหอกดาบ โลเขนโตมอนตรีพระขันบวงบาทช้างม้าและรถสึกอันประกอบด้วยกงล้อขนาดใหญ่ซ้ายมือของภาพกริย์เป็นขบวนพยุหาแสนยาพยุหาญาตราและภาพของการรบทับจับสึกเข้าสับประยุทต์กันขวามือเป็นภาพมหาปราศาสตร์อุทยานสรานรมมีนางระบำรำฟ้อนวงมโหรีและสตรีกำลังดีดพิน ภาพของพิธีกรรมทางศาสนากิจบำบวงสังเวยถัดลงมาอีกเป็นภาพของเหตุการณ์ของชุมชนอันน่าจะหมายถึงอาณาประชาราษฎร์ในสภาพและพฤติกรรมต่างๆประกอบด้วยป่าสุสั์แพะแกะโคกระบือและสัตว์เลี้ยงป่างชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการเสพสุราเมรยัยการเสพประเวณีและการละเล่นเฉลิมฉลองต่างๆเป็นต้น ตามสุดชิดพื้นในระดับที่เขายืนอยู่ในขณะ น, นี้เป็นภาพคุ้มนรกโลกันอันประกอบไปด้วยนายนิราบาลผู้เป็นประธานสัมสัตในอบายภูมิและดวงวิญญาณที่จมนรกหมกไหมต้องธนกรรมในลักษณะต่างๆซึ่งมันใกล้เคียงกับข้อความที่บรรยายไว้ในพระสูตรต่างๆทุกภาพเหล่านั้นยิ่งเพ่งมองก็ดูราวกับว่าจะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ภาพวาดบนพื้นผนัง เป็นภาพที่ระพินเหมือนจะเคยผ่านพบมาแล้วในอดีตเพราะมันคุ้นตาของเขาเหลือเกินในโสดประสาทส่วนลึกก็อื้ออึงไปหมดแยก ส, ำสำั่าสำเนียงไม่ออกบางขณะเป็นเสียงเพลงพินอันไพเราะจับจิตบางขณะเป็นเสียงโห่ร้องสาพอาวุธประกระทบกับเสียงร้องโอดโอยของผู้ต้องข่มอาวุธเสียงพระเพลิงที่โหมหือลุกไหม้เผาผลาญฝีเท้าม้าย่าตะลุยโกนจนาดกึกร้องของโคษสารศึก เสียงดอกธนูหวีดแว่งอากาศเสียงสะอึกสะอื้นร่าไห้ของสตรีเสียงบงการโหดเทียมให้ข้าฟันสรรพสาเนียงเหล่านี้โกละโหนโอลมันไปหมดครั้นแล้วเด่นชัดเหนือกว่าสําพสาเนียงใดๆทั้งมวลเป็นเสียงกรีดร้องตะโกนก้องเรียกนามว่าอัคนิรุธซ้ำๆกันอยู่เช่นนั้นดังวานเหมือนดังกรอกช่องหูอยู่ใกล้ๆต่อมาก็ค่อยๆห่างไกลออกไปตามลาดับ วนเวียนซ้ำซากกันอยู่เช่นนั้นคือดังก้องชัดเจนใกล้ๆก่อนแล้วก็สะท้อนห่างเหมือนระบบเสียงเอ็คโคจางไกลไปครั้งแล้วครั้งเล่าจิตรางขนางเขาตะโกนออกไปสุดเสียงมารู้สึกตัวได้สติอีกครั้งด้วยอาการสำลักกลิ่นไอชุนเกิดของแอมโมเนียที่ลนอยู่ที่ปลายจมูกพบตนเองสุดอยู่กับพื้นภายในอ้อมแขนประคองแข็งแรงของสเตอร์ลี่ซึ่งขย่าเรียกนามเขาอยู่ทีที ระพินระพิน Are you o k เคพูดที่เอาสำรีชิ้นเล็กๆแต่ยาโดมปลุกประสาทแกงอยู่ปลายจมูกเขาคือคริสติน่าเบลเชิร์ดวูดคีธบุญคำและพรานดมอีกสองคนกำลังมุงอยู่รอบกายคนเหล่านั้นจ้องอย่างร้อนรนมาที่เขาเป็นตาเดียวลักษณะของทุกคนตกใจจอมพรานสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงเอามือปัดมือของคริสที่ลม ยาดมที่จมูกของเขาเชยออกไปพึ่พรรมพำออกมาอะไรกันนี่ผมเป็นอะไรไปพร้อมกันก็ขยับจะลุกขึ้นแต่อเมริกันอาวุโสกดไหลเขาไว้ก่อนเดี๋ยวนอนพักอีกสักครู่เถอะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเพื่อนยากผมไม่เข้าใจเลยนี่ผมเป็นอะไรไปเขาร้องขึ้นดังๆคริสตินาพยายามส่งยาดมมาที่จมูกเขาอีกแต่จอมมัคุเทสสายหน้านิสัมลักษ์โบกมือให้เอาออกไป บอกอูอี e. ว่าพอแล้วคริสมันฉุนเหลือเกินทำไมพวกคุณไม่บอกผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ระพินคุณมายืนดูภาพวาดบนผนังด้านนี้อยู่คนเดียวยืนตะลึงนิ่งทีเดียวเหมือนคนถูกสะกดพวกเราทั้งหมดหันมาเห็นคุณก็เลยเดินเข้ามาร่วมดูอยู่ด้วยข้างหลังแต่คุณไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นพอเรามาเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงคุณตะโกนเรียกชื่อใครออกมาชื่อนึง แล้วก็ล้มเป็นลมจะห ง, งายหลังลงกับพื้นดีแต่อาจารย์คว้าไว้ได้ทันก่อนที่ศีรษะคุณจะฟาดลงไปกับแง่หินแล้วเราก็ช่วยกันประถมพยาบาลคุณขึ้นมาผมน้รึ้เป็นลมเขาตะโกนขึ้นอีกขยับจะลุกขึ้นให้ได้แต่คีดกับเชิดวุธช่วยกันเอื้อมมือมายันอกไว้ใช่นายเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะนายคีตออกเสียงดังลั่นนานเท่าไหร่นี่ที่ผมหมดสติไป ก็ไม่นานรอกสักสองสนาทีเท่านั้นนับตั้งแต่คุณล้มลงและอาจารย์มาคว้าตัวไว้ได้ทันจนกระทั่งคุณรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหล่อนถามมาต่ำๆ ต, ตาสีฟ้าจับนิ่งสังเกตมาไม่กระพริบระพินแยกเขี้ยวเอามือกุ่มขมับครางออกมาพระอรหันต์นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่เกิดเป็นลมหมดสติขึ้นมาอย่างกระทันหันผมไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นมันหน้ามืดขึ้นมาเฉย คุณกรากรำ ม, มากและพักผ่อนไม่พอเสียงเบลบอกมาอย่างเป็นห่วงเอื้อมมือมาลูบที่ใบหน้าของเขาด้วยความกังวลตอนนี้ล่ะรู้สึกยังไงบ้างก็มึนหัววิงเวียนนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรมากนักหรอกโปรดเธออย่าเพิ่งลุกขึ้นนั่งพักอีกสักประเดี๋ยวดีกว่าหน้าคุณซีดเหลือเกินเสียงด็ตอร์สเตลลี่ผู้ประคองเขาอยู่บอกเสียงต่าๆอยู่ริมหู จอมพรานสะบัดหน้าแรงๆอีกครั้งท้อนใจเฮือกกล่าออกมาเสียงแหบแหง้งผมไม่น่าจะอ่อนแอถึงขนาดนี้เลยสาบานว่าผมไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเอาละ่ะนั่งพักให้รู้สึกดีขึ้นจริ ง, รงๆซะก่อนคริสบอกมาคร้มๆแล้วรับกระดาษเช็ดหน้าเคมีที่อาบอัเดโคโลนจากเปลมาฉีพลาสติกที่หุ้มอยู่คลี่ออกค่อยๆแตะซับเช็ดให้ตามหน้าเขา ราพินไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จำต้องนั่งเอนกายสงบนิ่งอยู่ในอ้อมประคองของสแตนลีปล่อยให้คริสเช็ดไปหน้าเขาเชิดวุดรินบรันดีใส่ฝากระติกแล้วส่งมาให้เขารีบคว้าขึ้นมากรอกใส่ปากโดยเร็วพร้อมทั้งพืมพันขอบคุณพอดีกรีอันร้อนฉ่าผ่านลำคอถึงกระเพาะเลือดลมเริ่มจะแล่นได้สะดวกขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนี่พี่เสียงเชิดวุฒถามมาบ้างเบาๆขย่าที่แขน ก็เห็นพี่ยืนจ้องมองภาพเขียนประหลาดพวกนี้พอผพู้เราเข้ามาถึงพี่ก็ห ง, งายหลังล้มตึงเลยระพินฝืนยิ้มแค่นๆเขารู้สึกอับอายอย่างไรบอกไม่ถูกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันไม่รู้สึกตัวจริงๆตอนนั้นเพิ่งจะมารู้จากพวกคุณอเดียนี้เองว่าอยู่ๆผมก็ร่วงลงไปเฉยๆก็อาจเป็นได้ที่พักไม่พอและร่างกายมันอ่อนแอไปชั่วขณะ คุณร้องตะโกนเรียกชื่ออะไรสักอย่างดังมากนะก่อนที่จะล้มลงอย่างหมดสติเบลสีหน้าเป็นทุกข์กังวลกับสภาพอาการของเขาอย่างเห็นชัดระพิมเม้มริฝิปากแน่นและฝืมยิ้มอีกครั้งมองไปยังคนของเขาทั้งสามคนที่กําลังจ้องขมิงมาทั้งบุญคําเกิดและเสยกําลังแลดูเขาอย่างตกใจและประหลาดใจระคนกันฉันเป็นไปอย่างที่พวกเจ้านายว่านี่หรือบุญคําใช่ อยู่ๆนายก็ตะโกนเรียกใครก็ไม่รู้แล้วหงายหลังตึงเลยโชคดีที่ในห้างบ๊อบเข้ามาถึงข้างหลังนายพอดีเลยรับไว้ได้ผมตะโกนเรียกชื่อเรียกยังไงฝ่ายนายจ้างบริกันทั้งบดและพรานพื้นเมืองของเขามองหน้ากันไปมาเหมือนจะไม่แน่ใจว่าจะทวนคําซ้ําได้ถูกต้องจึงมีเชิดบุตรคนเดียวที่บอกมาแผวเบา ว, ว่าพี่เรียกชื่อประหลาดสำเนียงแปลกชื่อหนึ่งผมจําได้ดีที่สุด นามนั้นจิตรางคนางใช่แล้วมีคำว่าจิตๆขึ้นหน้าและลงท้ายว่านางๆข้างหลังนี่แหละสำเนียงมันทำนองนี้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งบดบอกมาพร้อมๆเป็นเสียงเดียวกันหมดจิตรางคนางผมได้ตะโกนนามที่ออกมานั้นหรือเขาเอ่ยขึ้นแผวเบาวิวเอามือกุมขมับอีกครั้งใช่คุณตะโกนดังมากจนพวกเราตกใจทีเดียว เบลพูดเสียงสั่นถ้าทางยังตระนกต่อเหตุการณ์อยู่คุณเห็นอะไรหรือและอะไรเป็นจุดบันดาลใจหรือบีบบงังคับให้คุณร้องตะโกนออกมาเช่นนั้นและจิตตรังคาณ์คืออะไรคริสถามมาช้าๆตายังไม่หันไปจากใบหน้าเขาเลยเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างระพินอึ้งไปครู่ใหญ่สุดที่จะตอบคำถามโดยคลี่คลายปมปัญหาให้แก่คณะนายจ้างของเขาได้และตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกเลย มันเป็นจิตใต้สำนึกแท้ๆที่เขาเปล่งเรียกนามนั้นออกไปก่อนมโนสติระหว่างนั้นเบลเอื้อมือมาจาับชีพจรเขาแล้วหันไปซุบซิบบอกอะไรกับคริสพ่อจะจับกระแสความได้ว่าระดับการเต้นของชีพจรของเขาค่อนข้างเร็วผิดปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่สุดเขาเอ่ยขึ้นอย่างไม่รู้จะบอกอะไรให้ดีไปกว่านี้อีกแล้วบอกแลย ว, ว่าตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัว เ, เลย ถ้าคุณรู้สึกว่าอาการไม่ดีเราจะยังไม่สำรวจต่อไปแต่จะให้คุณพักสะก่อนจนแน่ใจจริงๆว่าแข็งแรงดีแล้วอาการคุณไม่ค่อยเข้าท่านนะมือเริ่มเย็นอีกแล้วคริสบอกคร้มๆระพินขโมยคิ้วผมไม่เป็นอะไรมากเสียงของเขาห้วนกระชากลมหายใจหอบที่เมื่อคุณให้ผมพักผมก็ขอพักสักห้าถึงหนาทีก็พ อ, อยาที่ดีที่สุดของผมในขณะนี้ก็คือบรันดี ใครมีก็ขออีกสักถ้วยเถอะจะไม่มีการเสียเวลาอะไรอีกทั้งสิ้นสำหรับวันนี้คนที่ควรเป็นห่วงคือเบลไม่ใช่ผมเชิดวุฒิสกิจคริสเหมือนจะขอความเห็นเพราะบังเกิดความไม่แน่ใจแม่ผมทองหันมาพยักหน้าเป็นความหมายอนุญาตจึงรีนส่งมาให้เขาอีกฝากระติกหนึ่งเต็มๆระพินดื่มอย่างพยายามดับอารมณ์แล้วบอกว่าขอบคุณผมดีขึ้นมากแล้ว พลางชันคอขึ้นประสานนิ้วเข้าหาการหักลั่นกล่าวถามลอยๆว่าทุกท่านจะอนุญาตผมยืนขึ้นได้หรื อ, อยังผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วและขออภัยที่แสดงความอ่อนแอให้เห็นออกมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเร่างกายของคนเรามันไม่ได้ทำด้วยเหล็กเพชรนะระพินถึงจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนมันก็มีซักโอกาสหนึ่งที่จะต้องอ่อนแอลงได้เหมือนกันเท่าที่สังเกตดูอาการของคุณ น, นี่ เรารู้ว่าคุณมีอาการตึงเครียดทางอารมณ์มากทีเดียวและอย่าลืมว่าโรคเดิมของคุณมีอยู่ก่อนแล้วเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากมาลาเรียเรื้อรังนั่นก็คืออิสคิเมียเส้นเลือดตีบชั่วขณะเพราะความเครียดทำให้เลือดไม่ขึ้นเป็นหลอเลี้ยงสมองอาการชนิดนี้มันสามารถจะน็อกคุณเวลาใดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดอาการขึ้นมาน้ำเสียของสตลีเต็มไปได้วยความการุณา ผมจะพยายามให้อาการเช่นนั้นมาเกิดขึ้นอีกสาบานถ้างั้นก็ปฏิบัติตามคำสั่งและความเห็นของคริสและเบลซึ่งเป็นแพทย์รู้เหตุาการณ์ของคุณดีอยู่ก่อนแล้วครับตกลงใช้ผมทำยังไงนั่งหรือนอนพักตรงนี้ก่อนอีกสัก5้านาทีแล้วเราจะตรวจดูอาการของคุณอีกครั้งต่อจากนั้นจึงจะลงความเห็นได้ว่าคุณจะทำงานได้หรือไม่เพียงไรแค่ไหนสำหรับวันนี้ลางบอกเหตุมันไม่ค่อยจะดีนะ ระพินคุณก็รับมาแล้วว่าไม่เคยเกิดอาการลักษณะนี้มาก่อนคืออยู่ๆก็เป็นลมหมดสติไปเฉยๆคริสติน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่จริงจังเคร่งขรึมก็ได้ผมจะปฏิบัติตามเขากล่าวอย่างจำนวนแล้วยักหน้าไปที่ฝาผนังหินภาพประหลาดเหล่านั้นพวกคุณตรวจดูภาพเหล่านี้เห็นทนาดกันแล้วหรื อ, อยังเรากาลังพิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะเห็นอะไรละเอียดนะ ก็พอดีนายล้มตึงซะก่อนส่วนฟ้าผนังอีกสามด้านพวกเราก็ไปตรวจดูมาหมดแล้วคิดเป็นคนบอกมีภาพหรือหลักฐานน่าสนใจอะไรบ้างประเดี๋ยวนายดีขึ้นแล้วก็เข้าไปดูเองตอนนี้เราจะขอตรวจทางด้านนายซะก่อนนะนอนนิ่งๆไปก่อนเอา้าดูกันเสี้ยให้ละเอียดทีท่วนและมีความเห็นอย่างไรก็ช่วยบอกด้วยเขาพยักหน้าแล้วนั่งเอาหลังพิงก้อนหิน เบลกับเชิดวูดคงนั่งอยู่ใกล้ๆเขาคอยดูยแลอาการอย่างเป็นห่วงนอกจากนั้นพากันลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปตรวจภาพบนฝาผนังอย่างอัศจรรย์ใจขีดสุดโดยใช้เวลาที่เขายังนั่งพักอยู่รวมทั้งพรานทั้งสามคนของเขาด้วยระหว่างนี้รัพพินพยายามจะสูบบุหรี่แต่เบลคว้าแย่งไปเสียก่อนแล้วสันหน้าบอกมาเสียงอ่อนโยนว่าอย่าเพิ่งสูบก่อนเลยตอนนี้ ความดันโลหิตคุณยังอยู่ในเกณฑ์สูงคุณตรวจดูแล้วหรือดูจากอาการของคุณก็รู้ลักษณะของคุณมีความตื่นเต้นและเครียดหนักจนถึงขนาดเป็นลมหมดสติความจริงฉันก็ไม่อยากให้คุณดื่มบรนดีนักรอกแต่เมื่อคริสเขาอนุญาตก็รู้จะห้ามยังไงจอมพรานยิ้มให้วางใจเถอะเบลผมจะยังไม่เป็นไรหรอกมันเป็นแค่อุ ป, ปตวเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้น และรู้สึกดีใจที่เห็นว่าคุณกลับเป็นฝ่ายแข็งแรงดีพอสมควรภายหลังจากเจ็บมากเมื่อคือนนี้ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละรับรองว่ายังไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะครบห้านาทีตามสั่งคุณกับคุณวุฒิสองคนจะลุกขึ้นไปตรวจ ด, ดูที่ผนังนั่นก็ได้นะมีภาพเขียนแปลกๆสวยงามน่าศึกษา ม, มากทีเดียวไม่เป็นไรรอกฉันนั่งดูอยู่ตรงนี้ก็พอมองเห็นได้คงไม่ถึงกับต้องไปจับต้องลูกคลำอะไรมัน เพราะอีกสามด้านที่เราเข้าไปตรวจก่อนนั้นก็มีภาพเขียนเป็นลักษณะต่างๆเหมือนกันเป็นภาพยังไงบ้างลองล่าผมฟังบ้างสิก่อนที่ผมจะมีโอกาสลุกขึ้นไปดูด้วยตัวเองเขาถามมาอิซาเบลซอยเปลือกตาทีทีแล้วแลไปทางเชิดวุธอาการของบุคคลทั้งสองอยู่ในสภาพมึนงงตื่นเต้นอย่างไรบอกไม่ถูกแม้จะพยายามระงับเพียงใดก็ตามและในที่สุดก็ฝืนยิ้ม ฉันและพวกเราทุกคนมีความรู้สึกพิลึกพิลึกยังไงชอบกนนะหล่อนเอ่ยขึ้นแผวเบาเอามือลูบแขนที่คนลุกเป็นตุ่มฝาผนังทุกด้านมีรูปภาพวาดเอาไว้ด้วยสีทองสีขาวและเหลืองแสบตัดพื้นผนังดำสนิทเหมือนทางด้านที่คุณวายืนดูอยู่นี่แหละมันเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาพิจารณากันให้ถี่ถ้วนทีเดียวแต่ดูจากลายภาพที่วาดไว้มันแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตการที่เราไม่คิดว่า จะได้พบเป็นภาพเทวรูปลักษณะแปลกๆภาพสิงสาราสัตว์ผู้คนเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธต่างๆสะบัวอุทยานประสาทราชวังป้อมค่ายเชิงเทินภาพของพิธีกรรมบางชนิดบางภาพก็เป็นขบวนแห่เหมือนการแหร่ศพเสียงของเปลวแห่พราไปหอไหลลงฉันว่าที่นี่มันน่าจะเป็นห้องบูชาหรือสถานเทวไลอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างของชนชั้นกษัตริย์แห่งมหาอาณาจักรอันเคยยิ่งใหญ่ไพศาลมาก่อนเจริญขีดสุดมาแล้วในทุกด้านยกเว้นด้านเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นคือวิทยาศาสตร์ ย, ยุคปัจจุบันระพินใช่เคยมีโอกาสเข้าไปสำรวจในมหาปีระมิดแต่รู้สึกว่าหลักฐานเท่าที่เห็นในแผ่นดินอา ย, ยคุคโบราณยังดูไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับอาณาจรรักรลึกลับที่เราเข้ามาพบนี้ บางภาพใช้ทองคำเส้นฝังเข้าไปในพื้นผนังซึ่งเมื่อขูดผิวที่หุ้มอยู่เบื้องนอกเข้าไปก็พบว่ามันเป็นหินอ่อนและบางแห่งก็ฝังประดับไปด้วยเพชรนินจินดาภาพเขียนไว้เฉยๆก็มีภาพที่เกาะนูนออกมาก็มีมีเทวรูปหลายองค์ปรากากพังล้มลงมากลายเป็นเศษหินป่า บ, บนอยู่กับเท่าลาวาที่บาด ท, ท่วมขึ้นมาถึงมันเป็นงานใหญ่และหนักมากทีเดียวสาหรับเรา ถ้าจะสำรวจและวิเคราะห์กันจริงๆฉันยอมรับว่าแม้ฉันจะพอมีความรู้ทางธรณีวิทยาหรือศาสโบราณอยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่มีความรู้เลยในด้านโบราณคดีหรือความเป็นมาของประวัติศาสตร์ก่อนยุคที่จะมีการจดบันทึกกันไว้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติในอดีตมันจะต้องอาศัยความรู้ของนักโบราณคดี (prehistory) และนักเทววิทยาซึ่งอาจช่วยวินิจฉัยได้ดีขึ้น แต่ในบรรดาพวกเราที่มาด้วยกันล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันทั้งนั้นคำพูดของอิสซาเบลตะกุกตะกากไม่เต็มปากคำนะักเชิร์ดวุเอี่ยวคอมองไปทางผนังด้านที่พาพวกกำลังพากันเข้าไปพินิพิเคราะห์อ ย, อยู่ขณะ น, นี้แล้วหันกลับมามองตาเขามันคล้ายๆภาพที่วาดไว้บนฝาระเบียงของวันพระแก้นะครับพี่แต่มันลึกลับกว่านั้นมากการแสดงออกของภาพ นอกจากจะสอยเห็นถึงฝีมือจิตรกรรมชั้นยอดแล้วมันยัสะท้อนให้เราเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นไปของชนอันเป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ด้วยแต่ได้แต่เพียงว่ามันเหลือแค่ซ่าถล่มหักพังและมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเข้ามาบดบังเสียอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านไปผมว่ามันเหลือเค้าโครงเดิมให้เราเห็นไม่ถึง10อร์เซ็ของหลักฐานเดิมทั้งหมดพี่ละ่ะมีความเห็นยังไง รัผินเงียบกริบยังไม่อาจตอบอะไรได้ในขณะนั้นนั่งเอนหลังและปิดเปลืกตาลงเหมือนจะพักชั่วขณะบัดนี้เป็นที่แน่แท้เขารู้แล้วด้วยประสาทสัมผัสว่าสถานที่นี้คืออะไรแต่ก็ไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ครู่ใหญ่ต่อมาขณะนายจ้างและคนของเขาทั้งสองที่พากันไปสำรวจดูผนังด้านนั้นก็ย้อนกลับมายังตำแหน่งที่เขานั่งพักอยู่ เรามาพบเมืองฟอมเปอีทางภาคตะวันออกซึ่งถูกถล่มจมไปด้วยภูเขาไฟและเข้าแล้วละ่ะงระพินเพียงแต่ว่าภูเขาไฟที่ระเบิดพ่นลาวามากลบเมืองนี้ไม่ได้ชื่อว่าวิสูเวียสเท่านั้นเซเนเตอร์สแตนลีย์พูดแผ่วต่ำขณะที่มายืนยิ้มขรึมๆอยู่ตรงหน้าเขาจอมพรานเปิดเปลือกตาขึ้นฟอมเปอียังปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ครับดร แต่อาณาจากักรพิตธารนครไม่เคยมีประวัติศาสตร์เล่มไหนของใครจารึกไว้เพราะมันเก่าลงไปกว่านั้นทุกท่านตรวจดูตลอดแล้วหรือทางด้านนี้ก็ได้แต่ดูผัดผ่านเท่าที่จะดูได้เท่านั้นลายเส้นสีเหลืองอารามที่เป็นภาพอยู่ในส่วนสูงนั่นคุณว่ามันถูกเขียนไว้ด้วยสีอะไรมันถึงไม่ยอมลบเลือนไปแม้การเวลาจะเก่าแก่สักขนาดไหนเอาเส้นทองคําฝังเป็นลวดลายเข้าไปใช่ไหมครับ เขาเอ่ยเรียบเรียบหัวหน้าคณะก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งเม้มริมฝีปากตอบหนักๆในกลำคอใช่ไม่เพียงแต่จะรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมหรือจิตตมากรรมเท่านั้นอนาณาจักรแห่งนี้ยังมั่งคั่งร่ำรวยมากทองคำเพชรดินจินดาและปวงอั ญ, ญมณีมีค่าต่างๆฝังประดับเต็มไปหมดตามรูปภาพริมผนังทุกด้านโดยเฉพาะที่รูปกษัตริย์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์นั้น ซึ่งมันก็เหมือนเหมือนกับผนังด้านอื่นที่เราเข้าไปตรวจดูแล้วเพียงแต่มีรูปภาพแตกต่างกันออกไปเท่านั้นอนาณาจักรของยูเ s สซิซาหรืออาณาจักรของอเมเนโฮเทปผมว่ายังไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่เราพบกันอยู่นี่นะไม่คิดว่าจะเป็นนครเล็กๆบ้างหรือครับระพินกลั้นใจอย่างเสียงถามไปสแตนลีย์มีสีหน้ายากจะบรรยาย เอามือรูปปลายคลางที่ครึ้มไปด้วยคราวซึ่งห่างมีดโกนหลายวัน พ, พึมพำว่าลักษณะเครื่องแต่งกายของกษัตริยุทธพันฑ์เครื่องสงครามอันเป็นช้างม้าและรสสึกภาพมหาปราศาทอุทยานภาพนางระบำและนักดนตรีสาวที่เล่นพินขนาดใหญ่ภาพกำแพงป้อมปราการมันเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีว่ามันเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่จเจริญสุดยอดมาแล้ว เสีได้แต่เพียงเราไม่ได้มาสำรวจทางโบราณคดีจึงไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในทางด้านนี้โดยตรงมาด้วยแต่เรามาตามหาระเบิดนิวเคลียสิบเมกะตันที่หายไปพร้อมกับเครื่อง B-52 และเราก็มาพบกับที่นี่เข้าโดยบังเอิญมิเะนั้นมันจะเป็นงานใหญ่ระดับโลกอีกชิ้นหนึ่งของเราในการค้นพบเมืองประหลาดแห่งนี้ทล่มล่มจมอยู่ใต้แผ่นดินทางภาคพื้นเอเชียภาพที่เราเห็นเหล่านี้ดูแปลกมากนะรพิน คริสเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างใช้ความคิดหนักเมื่อเราคิดดูไปนานๆทุกภาพคล้ายๆจะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้อย่างนั้นแหละอ๋อคุณรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันหรือเขาย้อนถามเบาๆนคีสก็โผลงออกมาว่านางระบาเหมือนจะเต้นเยื้องกลายสายสะโพกได้วะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าไอ้ตัวใสมงกุฎนั่งอยู่บนแท่นใหญ่มันมีอาการเหมือนจะขยับลุกขึ้นจากแท่น ชักดาบที่พาดอยู่บนตาขึ้นมาลอ ก, กะบาลฉันนั่นแหละเสียดายที่ไม่มีหลักฐานบอกไว้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรปกครองแผ่นดินนี้มาแต่สมัยไหนได้อยากรู้ชื่อนั่นหรือระพินถามก็อย่างอื่นเขียนเป็นภาพไว้ได้สารพัดจะเขียนบอกชื่อตัวเองไว้สักหน่อยก็ไม่ได้ก็ถ้ามีอักษรเขียนบอกไว้นายคิดว่านายจะอ่านออกงั้นหรืออา้าวส่งมือให้ฉันจับหน่อย ฉันจะลุกขึ้นละตอนนี้เลือดลมเป็นปกติดีแล้วกล่าวพลางจอมมักคุเท่ซึ่งบัด น, นี้รู้สึกตัวเองดีว่ามีอยู่สองวิญญาณวิญญาณหนึ่งคือระพินไพรวันและอีกวิญญาณหนึ่งคืออัคคณิรุธแห่งอดีตการก็ส่งมือไปยังคิดเพื่อนอเมริกันผู้ร่วมตายยังไม่ฉุดเขาขึ้นมาตามข่าวร้องแต่หันไปถามเบลว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างเบลตรวจ ด, ดูก่อนสิ ดูท่าทางพิกลพิกลอยู่นะตาไม่ค่อยจะมีแววเลยมันขลังขวางยังไงบอกไม่ถูกเบลจับที่ประจานเขาอีกครั้งเอาหลังมืออังที่ซอกคอแล้วบอกว่าฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นปกติดีแล้วแม้ว่าที่ประจานจะเต้นเร็วกว่าสภาพปกติธรรมดาของเขาเองไปบ้างก็ตามพวกเราช่วยประคองเขาขึ้นหน่อยสิไม่ต้องรอผมยืนเองก็ได้ระพินบอกโดยเร็วแล้วคลืล่ขึ้นยืนในสภาพเดิมของเขา พร้อมไรเฟิลในมือแล้วพยักหน้ากับคีตนายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะกลายเป็นไอพีที่พวกนั้ไปรอกถึงยังไงเสียฉันก็ยังเป็นระพินไพรวันมคัคุเทสดำทางผู้ซื่อสัตย์ของพวกนายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละน่าอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าภาพกระส่าที่นั่งอยู่บนบันลังนั่นเป็นใครมะตามฉันมาเราจะเข้าไปดูใกล้ๆ ก, กันอีกครั้งเดี๋ยวฉันจะบอกให้แล้วเขาก็ก้าวส่งเข้าไปยืนประชิดกับผนังกว้าง อันมีภาพวาดเป็นแถวยาวเหยียดด้านนั้นอีกครั้งทุกคนตามเข้ามาจอมพรานมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของภาพลายทองฝังประดับไปด้วยเพชรดินจินดาพราวไปหมดภาพนั้นจ้องพิจารณาอยู่อึดใจใหญ่ดวงตาของภาพบุรุษร่างใหญ่ฝังด้วยมรกตจ้องตอบเข้ามาและริมฝีปากที่มีอาการเหมือนจะสแยะทมึงถึงอยู่ในชุดของนักรบโดยเฉพาะที่สวนอกกว้างใหญ่ พุ่มไว้ได้เกละทองคําเป็นลักษณะเกรดซ้อนจะเป็นอุ ป, ปทานด้วยอะไรก็ตามทีดูเหมือนกับว่าร่างนั้นจะขยับพุดลุกขึ้นมาจากแท่นที่นั่งห้อยขาทั้งสองลงชิดพื้นและผลเข้ามาพร้อมกับดาเดินไมนัดกันไว้เลยทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ชิดนะแต่ระพินเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าห่างเพียงวาเดียวแล้วก้มศีรษะลงถวายสักการะนิ่งสงบไปชั่วอึดใจ ส่งกระแสจิตขอเข้ามาโทษในพฤติกรรมจากอดีต ท, ที่เคยยิงธนูส่งดอกสอนเข้าเสียบซอกกระสอปลิดพระชนชีพกลางศึกด้วยความสำคัญผิดนักกาละครั้กระนูนซึ่งอย่างนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะผ่านพ้นมาเมื่อวานนี้เองคณะพักทุกคนเบื้องหลังพลอยยืนสงบนิ่งกันไปหมดเหมือนจะมีอำนาจลึกลับบางอย่างเข้ามาครอบลุมดวงจิตไว้ชั่วขณะ บัดนี้หม่อมฉันอักขิรุธได้คลืนกลับมาเฝ้าอยู่เฉพาะเบื้องพระพักของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอีกวาระหนึ่งแล้วเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เกิดขึ้นโดยปราศจากความตั้งใจของหม่อมฉันแม้แต่น้อยหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดโดยแท้ขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดบาปเวรจากผลกรรมในครั้งกระนั้น ก็ได้ติดตัวบั่นทอนทรมานบ่มชั้นมาทุกชาติพบแล้วตราบจนกระทั่งชาติพบนี้จิตของเขากราบทุนอธิษฐานออกไปประกายดวงมรกตที่ฝังอยู่ในกรอบหน้าของภาพนั้นดูจรีโรยอ่อนแสงสงบราบคาบลงครั้นแล้วท่ามกลางความเงียบขนาดเข้มตกได้ยินของสถานที่นั้นเขาแววเสียงห้าวลึกตอบมาสัมผัสเซลในสมองว่าอัคนิรุธเอ่ย ข้ามหิทธิเดชะขอรับขมาจากเจ้าขอให้เวรัภระหว่างข้าและเจ้าจงยุติลงเพียงนี้และขอฝากลูกน้อยจิตตรังขนางในชาติพบเดียวกันกันกบเจ้าณปัจจุบันชาตินี้ไว้ด้วยเถิดจงมีความรักและซื่อตรงต่อลูกของข้าเหมือนเยี่ยงที่เจ้าได้ปฏิบัติมาในปางบันและจงเร่งระวังตนจากความอาฆาตพยาบาทของปุโรหิตมันตรไว้ด้วย พระเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าวที่ทรงเตือนหม่อมชันยังจะจําได้หรือไม่ณนะมหาสุสานแห่งราชวงศ์ภายใต้สถานเทวาลัยนี้แหละเป็นที่สถิตของร่างข้าและเรื่องของจิตตรังคนาซึ่งเจ้าได้ลอบเข้ามาลักพาศพของลูกสาวข้าไปหม่อมชันระลึกจดจําได้หมดทุกซอกมุม และตำแหน่งแห่งที่กําลังจะลงไปเยี่ยมเยือนหีบศิลาอ่านบรรจุพระศพของใต้ฝ่าละอองธุลีประบาทและหีบพระศพของจิตตรังคณา ง, างซึ่งหม่อมฉันได้เคลื่อนย้ายรับผ่าพระศพขององค์มกุตราชกุมารีไปในครั้งนั้นการลงไปในครั้งนี้ก็เพื่อจะกลับลงไปถวายสาการะกราบพระศพของพระองค์และเยี่ยมเยือนหีบพระศพของจิตตรังคณางด้วย ขอพระบรมราชาอนุญาตเพื่อเปิดหนทางให้ด้วยข้าอนุญาตลงไปเถิดอคคนิรุตแต่จงระวังตนให้จงหนักหนทางลับใต้สุสานที่เจ้าเคยใช้เป็นทางเข้าออกในครั้งนั้นบัด น, นี้ได้ถูกปิดตันไว้ใต้ธรณีแล้วด้วยพระสุธาทลม่มหนทางกลับคืนขึ้นมาจึงเหลืออยู่ทางเดียวเจ้าลงโดยทางไหนก็ต้องกลับคืนขึ้นมาทางนั้นอย่าแสวงหาทางออกด้านอื่นอีก และเจ้าคงจะจำได้ดีหีบศพของข้าเมื่อลงไปจะอยู่ทางแท่นขวามือส่วนหีบศพลูกสาวข้าจะอยู่เบื้องซ้ายฝาหีบศิลาที่เคยถูกเปิดออกด้วยฝีมือของเจ้าในครั้งนั้นมีสภาพเช่นไรปัจจุบันนี้ก็คงสภาพอยู่เช่นนั้นไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเลยแต่เจ้าจะต้องเดินลึกลงไปมากจากพื้นของมหาวิหารเทวาลาที่เจ้าเหยียบยืนอยู่นี้ ฌานวิถีสามารถสัมผัสส่งกระแสความรู้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ชั่วอึดใจมันจะเกิดจากอาการจิตร้อนสร้างจินตนาการเรื่องราวขึ้นมาเองหรือจะเกิดขึ้นจากแก่นแท้ความจริงอย่างไรก็ตามมันก็สามารถพิสูจน์กันออกไปได้ภายในระยะเวลามไม่นานข้างหน้า น, นี่แหละถ้าหากเขาจะนํากระดาษทั้งหมดที่ติดตามมาลงไปสู่ห้องใต้พิภพที่ซ่อนอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นราบของสถานเทวาลัย จึงยืนกันอยู่ในขนาดนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันมีข้อเท็จจริงหรือไม่เพียงไรโดยนำมาเปรียบเทียบกับแผ่นภาพแห่งความฝันขณะที่เคลิ้มหลับไปเมื่อคืนภายในคูหาแห่งนี้นิ้วแข็งๆ ข, ของในคีสสกิดมาทางเบื้องหลังพร้อมกับสะเสียงถามดุยดยปลุกผวาค่าว่าเป็นยังไงเขาบอกนายหรื อ, อยังว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกแล้ว แล้ิพีนพูดด้วยเสียงปกติราบเรียบธรรมดาที่สุดพร้อมกับหันกลับมายัางพักพวกทุกคนบอกต่อไปหน้าตาเฉยว่าเขาบอกว่าเขาชื่อยอดบอร์ชิงตันวะคิดร้องวางอิซาเบลคริสสแตอลีย์อุบอิบอะไลรแซดกันอยู่ในลำคอคงมีแต่เชิดวุฒิเท่านั้นที่หัวรอกก้ากออกมาดังๆท่ามกลางความเงียบ พวเราไม่มีอารมณ์ขันที่จะร่วมกับคุณในขณะ น, นี้แต่สำหรับตัวคุณเองจะสร้างอารมณ์ขันให้แก่ตัวขึ้นมาบ้างก็จะเป็นการดีมันจะได้ผ่อนคลายความเครียดลงสับ้างคริ Christina สติน่าสวนตอบมาด้วยน้ำเสียงชาาเย็นรับินไม่สนใจกับอาการของใครหันไปทางพันเอกแห่ง US Army ผู้บตด น, นี้ได้กลายมาเป็นเกลอสนิทกับเขาไปแล้วถามเรียบๆตอไปว่าคิดประเดี๋ยวเราทั้งหมดจะลงไปยังห้องใต้ดินข้างล่างนี้ มันจะลึกลับซับซ้อนสักขนาดไหนก็ยังไม่รู้ได้และมันคงจะมืดมากทีเดียวลำพังไฟฉายประจำตัวหรือต่อให้ตะเกียงแบตเตอรี่คงให้ผลน้อยมากนามีพลุหรือใต้เคมีชนิดจุดให้เกิดความสว่างมากๆติดตัวมาบ้างไหมลารี่คิดแยกเคี้ยวแล้วกระตุกเอาแท่งกลมยาของอะไรชนิดหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วยาวแดนิ้วออกมาแกวงให้ดูบอกขุวนๆว่า มีนี่ยังไงล่ะฉันเตรียมมาพร้อมแค่เปิดฝาครอบจุดไฟเข้าไปเท่านั้นมันก็จะพ่นเปลวแสงออกมาในลักษณะเหมือนไฟพนเนียงสีส้มให้ความสว่างรอบตัวหนึ่งมื่นแรงเทียนไม่มีควันไม่มีกลิ่นที่เป็นอันตรายมันเป็นใต้เคมีสำหรับใช้ยามฉุกเฉินในเมืองลึกๆเวลาไม่มีแสงอื่นช่วยหรือใช้จุดเป็นสัญญาณชี้บอกอันตรายในเวลารถยนต์ไปจอดเสียอยู่บนทางหลวงเปลอเปลี่ย การไม่รถคันอื่นๆแล่นมาชนหลังดีมากวิเศษสุดว่าแต่มันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่สำหรับการพ่นไฟเป็นเปลแสงออกมา1ดอกประมาณ10นาทีก็ยังดีแล้วนายมีมากี่ดอกทุกคนฝ่ายฉันได้รับแจวติดตัวเวลาทั้งนั้นในการจะลงบา ด, ดาลกับนายครั้งนี้คนละสดอกถ้านายคิดว่าไม่พอกระบอกมาจะได้กลับลงไปเอามาเพิ่มเติมอีกแลิพินโบกมือ เหลือเฟือเราจะใช้เฉพาะยามจําเป็นที่ต้องการความสว่างมากๆเท่านั้นถ้ายังไม่จําเป็นก็จะใช้ใต้แบบพื้นบ้านธรรมดาซึ่งคนของฝ่ายฉันก็มีอยู่ช่วยด้วยไฟฉายและแตะเกียงแบตเตอรี่บนคําประโยคหลังเขาเรียกไปทางคนของเขาซึ่งยืนสงบเรียงรายอยู่ครับนายเมื่อกี้นี้ตรวจดูปากทางที่เราจะไต่ลงไปหรื อ, อยังพอจะลงไปได้สะดวกไหมกว้างสักขนาดไหน บนคำไปดูแล้วนายหินเพดานที่มันถลม่มลงมากระแทกทำให้ปากทางลงที่เคยตีบแคบขยายกว้างออกไปนิดหน่อยพอจะผ่านลงไปได้ทีละคนส่องไฟดูเห็นเป็นบรรดาไดาหินทอดลงไปทางข้างในมันกว้างกว่าปากทางมากทีเดียวแหละเป็นช่องมืดดำปีเหมือนจะเป็นทางลงนรกไงงั้นขณะนี้เราอยู่ในนรกดาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการจะบุกลงไปนรกอีกมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างการสร้างทรายหรอกนะเอาละทุกคนพร้อมแล้วยังแปลว่าคุณจะเริ่มลงไปเดี๋ยวนี้เลยหรือหัวหน้าคณะถามมีอะไรลังเลหรือครับด็อกเตอร์ไม่มีแต่ผมอยากจะถามความเห็นคุณก่อนว่าข้างล่างมันควรจะเป็นอะไรถ้าทายไม่ผิดมันน่าจะเป็นช่องทางที่นาลงไปสู่ห้องของสุสาน แห่งราชวงศ์กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรนี้อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางหนีที่ไล่ต่อไปของเราถ้าหากมีซากบั ม, มมี่ถูกนำเก็บไว้ใต้นั้นมากๆซึ่งต่อไปมันอาจถูกบนมืดของศัตรูเข้าปลุกให้ลุกขึ้นมาอารวาดเอากับพวกเราเหมือนอย่างที่มันเคยทำมาแล้วเราก็จะได้ระเบิดกลบเส้นทางขึ้นของมันเสียไม่มันนำซากพวกนี้ขึ้นมาใช้เล่นงานเราได้ ก็เรียกว่าตัดกำลังพวกมันออกไปเป็นจุดๆเท่าที่เราจะค้นพบได้ฟ้าผนังอีกสองด้านมีระไรน่าสนใจมากคุณไม่คิดจะเข้าไปตรวจ ด, ดูก่อนหรือเพราะคุณมาดูอยู่เฉพาะด้านนี้ด้านเดียวคริสพูดชี้มือไปยังผนงังอันอยู่ในเงาคลึ้มของหมู่หินงอกและหินย้อยเปรียบเหมือนวานบางอยู่พวกคุณตรวจกันละเอียดแล้วไม่ใช่หรือก็คงเป็นภาพวาดบุคคลและเหตุการณ์อะไรต่างๆ แบบเดียวกับทางผนังด้านนี้นั่นแหละหรือคุณคิดว่ามีอะไรน่าสนใจกว่านั้นลักษณะของคริสสอออาการอึดอัดกังวลใจอย่างไรบอกไม่ถูกฉันยังไม่อยากจะให้คุณนำพวกเราลงไปยังสูสานข้างล่างก่อนที่จะตรวจข้างบนนี้ให้ถี่ด้วนซะก่อนหลอนกล่าวเสียงเบาเคร่งครึมพวกเราพยายามเข้าไปดูก่อนแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ละเอียดอะไรนะเพราะแสงสว่างมันไม่พอ ประกอบกับเห็นคุณมายืนเหมือนตะลึงอยู่ทางด้านนี้จึงพละมาที่คุณเสีก่อนก็เป็นเวลาเดียวกับที่คุณหมดสติล้มลงนั่นแหละฉันมีความเห็นว่าคุณควรจะเข้าไปตรวจดูด้วยตัวเองนะ mm. เผื่อมันจะเป็นแนวความคิดข้อวินิจฉัยอะไรแก่คุณขึ้นได้อีกมาก mm. ก่อนจะรีบด่วนลงไปในสุสานข้างใต้นี้ซึ่งเราก็ยังทายก็ไม่ถูกว่ามันจะลึกสักเท่าไหร่เส้นทางยากลําบากแค่ไหน และใช้เวลาสำรวจนานเพียงไรภายในอาณาจาักรลีลับที่เราค้นพบนี่ไม่มีใครจำวินิจฉัยอะไรได้ดีไปกว่าคุณรอกระพินจ้องเข้าไปยังผนังอีกสด้านที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่เบื้องหน้าด้วยาการใคร่ครวนสแตอลี่กล่าวสนับสนุนขึ้นมาอีกคนคริสพูดถูกแล้วระพินคุณควรจะตรวจดูบริเวณข้างบนนี้ให้ตลอดซก่อนไม่ควรผ่านมันไปซะ ทางผนังด้านโน้นผมส่องไฟเข้าไปดูผ่านๆเมื่อตะกี้นี้มีอะไรสะดุดใจหลายอย่างอะไรมันดูเหมือนจะเป็นภาคขบวนแห่ศพของบุคคลสำคัญมากมีพวกขบวนข้าราชบริพารกองทหารและกลุ่มนักบวชนำอยู่หน้าริ้วขบวนลักษณะ น, นักบวชนั้นแต่งกายดูประหลาดมากและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สอดขึ้นมากลางทันได้หางเสียงหวัดหวาก็คืออิซาเบล ภาพที่ดูเหมือนนัก บ, บวชอาวุโสอันน่าจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าพิธีมีลักษณะผอมสูงหัวของเขาโกนล้ลนเกลี้ยงอยู่คนเดียวทรงหน้ายาวแก้มตอบเบ้าตาลึกท่าทางจะเป็นคนสำคัญมากเพราะมีภาพของเขาอยู่หลายอิริยาบถ ท, ทั้งภาพที่โดดเด่นเฉพาะตัวออกมาและภาพที่นำอยู่หน้าขบวนศพร่วมกับริ้วขบวนแหขนาดเป็นภาพวาดหรือภาพแกะลวดลายแท้ เพียงแต่ฉันไปยืนส่องไฟจ้องอยู่เท่านั้นก็เกือบจะหมดสติเป็นลมไปเหมือนกับคุณเมื่อตะกี้นี้เหมือนกันตาของเขาฝังไว้ด้วยทักทิมสีเลือดมันพุ่งประกายสะท้อนแสงไฟฉายตอบออกมาวาโรดยิ่งกว่าตาเสือเล่ากับจะสะกดจิตให้ลืมตัวไปชั่วขณะโชคดีที่คริสเข้ามาตบหลังชั น, นแรงๆและเรียกปลุกให้สติพร้อมกับสั่งให้ชันดับไฟลงเสียไม่ฉายส่องเข้าไป สุภาพบุรุษไพรเลือดในกายเย็นเฉียบไปชั่วขณะเมื่อได้ฟังจากคำบอกเล่าของเบลแต่ระงับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติภายใต้สีหน้าแข็งกระด้างเฉยเมย อ, อันเป็นบุ ค, คลิกสามันประจำตัวของเขารัพินตัดสินใจในทันทีนั้นไปเราเข้าไปดูทางด้านที่เบลบอกนั้นกันเดี๋ยวนี้แหละคิดเตรียมใต้เคมีของนายด้วยตาแหน่งนั้นเป็นเงาสลัวกลุ่มเกลือมาก เพราะแสงสว่างสาดเข้าไปไม่ถึงบางทีอาจต้องอาศัยใต้เคมีของนายเพื่อให้เห็นอะไรได้ชัดๆกับตากล่าวแทบยังไม่สิ้นประโยคจอมพลังก็ออกก้าวเดินข้ามกองหินนาหน้าเข้าไปยังผนังฝั่งตรงข้ามที่อิสเบลชี้บอกทันทีทุกคนตามหลังเขาเข้าไปติดๆ ด, ด้วยแต่ละคนต้องเดินหลีกหมู่หินงอกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นสูงๆต่าๆขวางกั้นหน้าไว้ เมือนจะเป็นแนวสกัดไม่ให้เข้าไปชิดผนังด้านนั้นได้อย่างสะดวกซ้ำยังมีหินย้อยที่มเป็นรูปแหลมเรียวลักษณะต่างๆลงมาจากเพดานด้านบนอีกด้วยแต่ทั้งคณะก็สแสวงลู่ทางนำกายเข้ามาจนเกือบชิดฝาผนังหินซึ่งตกอยู่ในเงามืดสลัว น, นั้นจนได้โดยยืนเรียงรายกันอยู่มีระยะห่างจากผนังประมาณสมวา บนคำกับเกิดช่วยกันหิ้วปีประคองอิซาเบลเข้ามาเพราะพื้นที่อันตะปุ่มตะปามกรุกขระซึ่งหล่อนทำท่าจะเหยียบพลาดเกือบล้มหลายครั้งแสงไฟฉายหลายๆด่วนที่ช่วยกันส่องเข้าไปไม่ช่วยอะไรได้มากนะักนอกจากจะมองเห็นเฉพาะริ้วลายที่แกะสลักไว้เผลิๆ เ, เ, เท่านั้นจากผนังทมึนทึนที่กั้นเผชิญอยู่เบื้องหน้าบัดนี้ ระพีนยืนอยู่ในแถบยาวอันราบเรียบตรงบริเวณส่วนปลายที่จะไปหักมุมชนกับผนังอีกด้านหนึ่งตำแหน่งนั้นดูเหมือนจะมีภาพวาดของเหตุการณ์ผู้คนเต็มพืชไปหมดลำแสงไฟฉายหลายดวงที่ช่วยกันชี้ส่องเข้าไปแม้จะมองลวดลายภาพวาดเหล่านั้นไม่ถนัดแต่สิ่งที่ประดับฝังไว้อันเป็นพวกหินสีมีค่าต่างๆสะท้อนตอบแสงไฟสาดประกายแดงเหลืองเขียวและม่วงราวว่าวูบไปหมด คิดขอใต้เคมีของนายสักดอกเถอะจุดแล้วตั้งห่างจากพื้นประมาณสักสองหลาเราต้องการพิจารณาภาพทางแถบนี้ก่อนนายคิดไม่พูดอะไรเปิดฝาครอบพรุชนิดให้ความสว่างแบบคบเพลิงออกแล้วนำเข้าไปหาตำแหน่งตั้งการระยะให้ใต้เคมีนะั้นสามารถสาดแสงเข้าไปจากผนังส่วนนั้นทั้งหมดได้อย่างถนัดที่สุดเมื่อมันพ่นไฟออกมาโดยเสียบไว้ในซอกเพื่อตั้งเอาส่วนสูงขึ้นไม่ให้เอ็ล้มซะก่อน ระหว่างที่พันเอกแห่ง US a อ m y ารมีกำลั ง, ง้วดหาที่เหมาะวางใต้เตรียมจุดอยู่นั้นจอมพรานดึงวิทยุประจำตัวที่เน็บเข็มขัดขึ้นมาสกิดด้วยหัวไม่มือเปิดสวิตขึ้นกรอกคำพูดลงไปจันได้ยินตอบด้วยอย่างทันทีทันความเสียงจันดังตอบขึ้นทันทีว่าครับนายเราจะจุดพลุไฟสองดูอะไรหน่อยนะแสงมาสว่างจ้าเป็นเปลวออกไปมากและอาจมองเห็นลงไปถึงข้างล่าง ถ้าเห็นเปลวแสงเหมือนไฟลุกเกีย่าตกใจขอให้พักสงบกันอยู่ที่เดิมบอกเตือนลมมาก่อนเพื่อให้รู้ไว้จะได้ไม่เข้าใจผิดครับครับผมรู้เรื่องแล้วจันทร์ตอบขึ้นมาคิดจัดตั้งใต้เคมีได้ที่สูดลมหายใจลึกๆอยู่หลายครั้งเหมือนจะดมพิสูจน์หากลิ่นอะไรบางอย่างแล้วขีดไลเตอร์เป็นเปลวติดขึ้นใช้ส่องแกว่งไปมาตามบรรยากาศรอบตัวพระวินขมวยคิ้วอย่างสงสัย คริสติน่ายืนอยู่ข้างๆเขาก็กระซิบบอกว่าคิดกำลังสำรวจให้แน่ใจซะก่อนว่าอากาศบริเวณนี้จะไม่มีแกส๊สไวไฟระเหยปะปนอยู่ก่อนที่เขาจะจุดพลุเพราะที่นี่มันเป็นบริเวณค่อนข้างอับและเราก็รู้มาก่อนว่ามันเคยเป็นแหล่งที่ภูเขาไฟระเบิดมาก่อนแล้วแม้จะหนาวสักแค่ไหนก็ตามถ้าบังเอิญยังมีแกส๊สไวไฟบางชนิดแทรกซึมอยู่ในอากาศบริเวณนี้พอเราจุดพลุนั่นขึ้น มันอาจลุกเข้าครอกพวกเราหรือระเบิดขึ้นในทันทีก็ได้รล้เพียงยิ้มออกมานิดหนึ่งพยักหน้าลงเราครอบดีมากทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่วางพลุนี่ถอยหลังไปอีก 2-9 เก้าเปลยวมันค่อนข้างร้อนหน่อยขณะที่มันพ่นฟู่ออกมาตอนแรกคิดประกาศขึ้นขณะที่แกว่งเรียวไฟจากปลายไลเตอร์ er เข้ามาใกล้ไส้สาหรับจุดเชื้อประทุ ทั้งหมดที่เข้ามายืนออกกันอยู่ขยับกายจากตำแหน่งที่เกือบจะเข้ามายืนประชิดท้อยหลังออกไปตั้งหลักและบัด น, นี้เปลวไฟจากไลเตอร์ในมือคีสก็แตะฉับข้อที่เชื้อปะทุทันทีปรากฏเสียงดังฟู่เหมือนดอกไม้ไฟและพร้อมกันเปลวไฟเป็นดอกสีแสดก็พุ่งขึ้นมาเป็นเส้นสว่างจ้าขึ้นทันทีเหมือนน้ําผุไฟพุ่งสูงขึ้นมาเป็นเส้นตรงประมาณสองหลา ครั้งแรกมันก็เหมือนกับเป็นการจุดเชื้อไฟธรรมดาก่อนแต่แล้วไม่ถึงอึดใจของดอกไฟพราวที่พ่นออกมาเป็นพเนียงนั้นก็เปล่งรังสีสว่างจ้าสว่างสวัยเพิ่มขึ้นทุกขณะเปิดเผยบริเวณอันเป็นเงาตะคุ่มสลัวรางแต่แรกให้เห็นกระจ่างชัดออกไปทุกซอกทุกมุมประดุจเทียนมหายักษ์โดยลำของคบเพลิงเคมีก็ยังคงปรับอยู่กับพื้นในแนวตั้งตรงเช่นนั้น แสงสว่างของมันราวกับเอาดวงตะวันย่อมๆฉายสาดเข้าไปฉะนั้นคราวนี้ภาพวาดหรือแกะสลักใดๆก็ตามที่ติดอยู่กับผนังด้านนั้นก็เด่นชัดจะแจ้งกับทุกสายตาที่พุ่งจับมาอย่างพินิพิเคราะห์ทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้งพากันจ้องสํารวจตรวจดูเท่าที่ใครจะมองจากทางด้านไหนก่อนเพราะมันเต็มไปหมดในลักษณะแถบแถวยาวตลอดร่วมสิบหลา ภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพตรงกันกับรายงานที่เขาได้รับล่วงหน้าจากอิซาเบลและเชิร์ดวุธผู้เข้ามาตรวจ ด, ดูคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้จากแสงสว่างของใต้เคมีอันมีประสิทธิภาพที่สุดของฝ่ายนายจ้างอเมริกันทําให้สามารถมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดมันลานตาไปหมดและโดยไม่นัดกันไว้เลยเป้าหมายจุดแรกที่ทุกสายตาเพ่งให้ความสนใจเข้าไป เป็นภาพของกระบวนแห่ประหลาดนักรบร่างกำยำในชุดออกศึกแบกหีบทรงยาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นลักษณะหีบศพสองหีบเรียงกันหน้าและหลังแต่ละหีบใช้ทหารสามคู่เป็นผู้แบกเหนือหีบศพนั้นคือชัดหางนกยูงและเครื่องสูงชั้นกรัตราธิราชแหนล้อมมาด้วยติดตามมาด้วยกองทหารที่ถือโล่และหอกอันเป็นกองเกียรติยศ ถัดต่อไปทางด้านหลังเป็นขบวนเดินติดตามของผู้คนในเครื่องแต่งกายอันแสดงถึงยศถาสง่างามอันน่าจะหมายถึงพระญาติวงศ์และมุกอัมมาด ร, ราชมนตรีและถัดไปอีกก็เป็นเหล่าริ้วขบวนของสาวสารกำนันในประกอบไปด้วยเครื่องโมโหรีปีไฉนยบันเดาะช่อมาลาปวงบุพชาติที่โปรยปลายไ ป, ไปตามเส้นทางเดินและระดับไปด้วยมาลัยรี เบื้องหน้าของขบวนที่กําลังมีอาการเดินอยู่นั้นมีภาพของเหล่านักบวชชุดหนึ่งยืนประจันอยู่เบื้องหน้าในลักษณะกํากับพิธีแห่และผู้เป็นประธานอยู่หน้ากลุ่มนักบวชเหล่านั้นเป็นภาพของนักบวชร่างผอมสูงโดดเด่น